แต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าที่่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมเรียนโจรน้ของพระองค์เพื่อทิ้งเวลาจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดวยพระพรประาธานสติปัญญาและทรงนำท่าทั้งหลายที่จะเข้าไปถึงมิติที่ท่านทั้งหลายไม่เคยเข้าใจมาก่อนข้าพระเจ้าขอทรงโปรดวยพระพรให้ทุกอย่าง อ, อย่างที่เวายสั่งเสวนแต่พระองค์ ขอให้การเดินทางของพี่น้องที่เดินทรรมาทุกท่านนั้นให้ความปลอดภัยด้วยกราบดูิฐฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านใดที่จะขาดฟังทั้งนะครับผมก็จะเทมไว้ให้นะครับแล้วก็เมื่ออ่านแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปลงเว็บไซต์นะครับแล้วก็พี่น้องก็ไปดาวนโ์โหลดไปฟังในเว็บไซต์ได้นะครับ ชีตที่ผมจะแจกได้แจกไปแล้วนะครับอยู่ในมือของทุกท่านนะครับก็เหมือนกับเป็นการคลีแคสนี้หน่อยนะครับว่าสิ่งที่เราคิดหรือเรารู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเาวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคืออะไรบ้างนะก็จะอยู่ในชีตใบแรกนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนครับ What do you think of the Holy Spirit อันนี้เป็นการเซอร์ว์ก่อนก่อนเรียนนะครับ ก็ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราเห็นด้วยนะครับก็วงที่เอถ้าเราบอกว่าอันชัวหรือไม่แน่ใจหรือเป็นคำถามของเราอยู่เราอยากจะรู้มากขึ้นก็อยู่ที่อยู่แล้วก็ถ้าเราดิเสียรีนะครับก็อยู่ที่ดีนะครับที่นี้ผมจะเรียนถามพี่น้องว่ามีใครบ้างที่ต้องาการให้แปลทุกตัวมีไหมครับถ้าไม่แปลทุกตัวได้ไหม ได้นะโอเคอย่างสมมนว่ข้อหนึ่งนะครับกว่า the spirit p u t t dots in our minds คุณเชื่อไหมครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยได้ใส่ความคิดเข้ามาอยู่ในความคิดของเราได้เชื่อไหมครับถ้าเชื่อก็ตอบว่า agree หรือ a, นะครับอันที่สองครับ spirit r e m o v e t dots from our mind ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อะไรครับ remove ก, ก็เคลื่อนย้ายหรือเอาออกไป ได้นะครับความคิดอ่ะนะความคิดนะครับเชื่อไหมนะฮะที่สาครับ 3, the spirit will never o v e r r i d e people bodily movement against their will ก็คือว่าเพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะจะไม่มีการากว่าควบคุมบังคับคนนะครับที่ไม่เต็มใจพูดง่ายๆว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะไม่พยายามที่จะบีบบีคั้นจิตใจของใครนะครับถ้าเขาไม่เต็มใจในการที่จะตอบสนองนะครับอันที่สามครับอันที่สี the spirit doesn't cause us to do things that result in division in the local church หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดการแตกแยกนะครับถ้าผมแปลผิดก็ ขอท่านช่วยแก้ด้วยนะครับหรือว่าเพิ่มเติมได้นะครับ The Spirit ข้อนะครับ Always work in our life in what we consider to be an orderly manner mm hmm. ก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะทำกิจของพระองค์ในชีวิตของเรานะครับในด้านที่เราพิจารณาแล้วนะครับว่าเป็นอาการหรือว่าเป็นอุปนิสัยนะครับที่เป็นระเบียบเรียบร้อยคุยง่ายว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย นะครับได้ควบคุมชีวิตของใครคนคนนั้นนะครับเขาจะแสดงออกมาอย่างมีระเบียบวินัยอันนี้จะสอดคล้องกับในพระธรรมยอต์บทที่สามนะครับหรือว่าในพระธรรมกิจการบทที่แปดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในหนึ่งโครินบทที่สิบสี่นะครับพูดง่ายว่าสมมุติผมยกตัวอย่างว่าเวลาพูดภาาแปลกๆเนี่ยนะครับในพระธรรมโครินเนี่ยเขาบอกว่าให้พูดพร้อมๆกันหรือทีละคน เห็นไหมครับเนี่ยคือมันมีระเบียบวินัยมันวิธีการอยู่ในพระธรรมโคเรนนะครับครับโอเคนะครับอันนี้ผมเริ่มต้นอีกานี้ก่อนนะครับทีนี้เหมือนกับเป็นการโปรยนะครับทีนี้ผมจะแนะนําแขกของเราที่มาจากต่างพิเศรนะครับนะครับก็จะมีเวลานี้มีสามท่านนะครับก็มาหนึ่งคู่นะครับก็คือคุณสินชัยนะครับนะนะคุณชินชัยแนะนํำหน่อยครับ นี่แหล่งตัวงครับใช่ตัวเองเขียนในสมรมาจากที่จังหวัดศรีสัชครับครับและจมีุ่ณพี่ทำเกียรติคุณพี่ทำเกียรตินะครับมาจากโบสถ์ไม่ด้ที่นะครับและนอกนั้นก็จะเป็นสมาชิกราชวัฒนานะครับแลวก็มีท่านอาจารย์ดรีรีรันะครับท่านผู้อำนวยการผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาเยื่อยนะครับ ท่านก็แล้วก็ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับตรงนี้ครับพี่น้องครับอยากจะให้พวกเราเช็คลิสต์ก่อนนะครับว่าในหน้าแรกเนี่ยอันนี้เป็นพรีเทสว่าเรามีความรู้อะไรเกี่ยวกับวญาณบริสุทธิ์บ้างเราเชื่ออะไรเกี่ยวกับวิญญาณบริสุทธิ์บ้างถามว่าทําไมต้องพรีเทสเพราะเนื่องจากว่าในพระธรมคีเองนะครับสอนเรื่องพวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นระบบไม่ได้เป็นระบบ แต่วันนี้นะครับคอสเนี่ยเราจะมาเรียนที่เป็นระบบคําว่าระบบคืออะไรครับคําว่าระบบเนี่ยก็คือว่าเป็นการจัดนะครับหมวดหมู่นะครับพระราชกิจของพ้อมูลยาณบริสุทธิ์แล้วก็สิ่งที่พข้อมูลบริสุทธิ์เนี่ยทำในชีวิตของเรานะครับพ้อมูลยานบริสุทธิ์มีหน้าที่โครงฟังก์ชั่นยังไงนะครับและเราเนี่ยสามารถที่จะพูดง่ายว่าอาศัยพึ่งพาในอนํานาจของข้อมูลบริสุทธิ์เนี่ยทอะไร บ, บ้างนะครับ การจัดสรรหมวดหมู่เรื่องของของวิญญาณประจุเนี่ยเราจะจ่ายัางไงเพื่อที่ให้เหมือนกับว่ามันมีแคตเติลอยู่ในสมองของเราพอเวลาเรามีแคตเติลเรื่องของวิญญาณประจุอยู่ในของเราพวกเนี่ยวเวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างเนี่ยที่มีคนอ้างว่านี่คือพระวิญญาณนี่คือพระวิญญาณนั่นคือพระวิญญาณเนี่ยเราจะบอกได้ไงว่าอันเนี้ยนะครับน่าเชื่อมากน้อยขนาดไหนน่าตามมากน้อยขนาดไหนน่าทํามากน้อยขนาดไหน นะครับไอ้ตรงจุดเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยเราจะใช้ discernment discernment ก็คือการแยกแยะนะครับที่พระปีใช้คว่าของประทานฝ่ายวิญญาณนะครับในการวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยนะซึ่งเรียกว่าอะไรแยกแยะวิญญาณออกได้ว่าวิญญาณไหนมาจากพระเจ้าวิญญาณไหนไม่ได้มาจากพระเจ้า แยกได้นะครับ็เรียกว่าวิสัย n ัศน์สปิริตนั่นคือของประทานอย่างหนึ่งนะครับในบรดาของประธานทั้งหล า, ายของขาวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อแรกนะครับของพ u e เช i o n แตัวนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องว่าข้าวิญญาณนีสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากน้อยขนาดไหนในแง่ของความคิด นะครับพระมียมังเป็นสามารถใส่ความคิดเข้ามาในชีวิตของเราได้ไหมในความในอ้วงความคิดได้ไหมพราะมียังเป็นสามารถจะเอาความคิดบางอย่างนี้ออกไปได้ไหมพี่น้องเชื่อว่าไงครับได้ไหมครับได้ได้ในลักษณะไหนครับอยู่ดีกุ๊งเงี้ยแวะเข้ามาละ ป, ปึ๊งปึ๊งแล้วเราบอกว่านี่เป็นมาจากพระมียาบริสุทธิ์ หรือ ว, ว่านี้เรานี่งมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับเราจะรู้ได้อย่งไรแล้วก็ความคิดที่หายไปนะครับยกอย่างเช่นเราอาจจะมีเคยมีความคิดแบบหนึ่งนะครับพอวันนี้คืนดีปุ๊ความคิดนี้มันหายไปอาจจะเกิดจากการลืมก็ได้เห็นไหมครับนะพอเกิดจากการลืมปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าอ้าววิญญาณไม่นำละพูดอย่างนี้ได้ไหมครับ เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือปัญหาประเด็นความลึกซับซ้อนในแง่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่มีผลต่อชีวิตของเรานะครับมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนหลักข้อเชื่อเรื่องความรอดมันไม่ตรงไปตรงมาเรื่องเรื่องเหมือนกับพระเยซูเราต้องกลับใจเสียไปอย่างนี้นะครับมันไม่ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่า subjective subjective ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ละคนแต่ละคนนะครับจะมีประสบการณ์ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ครับสังเกตว่า subjective นะครับแต่เวลาปัญหาก็มีว่าคุณรู้ได้ไงว่า subjective ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันถูกต้องมันมาจากมาจากะวิ ญ, ญาบริสุทธิ์จริงๆหรือมาจากเงื่อนั้นะครับหรือมาจากมารซาตานเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้นครับผมสรุปสามอย่างก่อนอะไรที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นความคิดนะครับนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแหล่งที่มาอยู่ไม่ค้นสามอย่างนี้ นะครับหนึ่งคือมาจากพระเจ้านะครับเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระงในปัดขานความคิดดีดีครีเอทีดีดีให้กับเรานะครับหรือปัดขานนิมิตบางอย่างให้เราเห็นภาพบางอย่างนะครับหรือทําให้เราได้ยินความคิดหรือได้ยินเสียงหรืออะไรก็แต่ที่อาจจะเป็นที่บางคนดอกเนื้อธรรมชาติหรือบางคนบอกว่าเรื่องนี้เรื่องปกติเรื่องนี้เป็นเรื่อง Cre เอทีฟ งานะเรื่องนี้เป็นเรื่องอ่า้าเรียกว่า อ, อะไรนะครับฮิปโนซิสพี่น้องเรียกฮิปโนซิสครับฮิปโนซิสการสะกดจิตนะสะกดจิตมวลชนคุณพูดไปบ่อยพูดบ่อยพบ่อ ย, อยเหมือนกับที่ล่ามเนินเนี่ยยพูดบ่อยพูดบ่อยคุณสามารถที่จะสะกดจิตมวลชนได้คุณสามารถเรียกมวลชนในต่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการประชุมนะครับในการประกาศใหญ่ๆอย่างเี้ยนะเาคนที่เป็นนักจิตวิทยาก็บอกว่าพวกเนี้ยมันฮิปโนไท มันเป็นม็อกที่ถูกฮิปโนไทป์มาก่อนแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เลต่างๆแยะมากมายอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักจิตวิทยาที่เป็นเป็นคริสเตียนในนั้นเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ไปดับข้อวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือไม่การดับพ้อวิญญาณบริสุทธิ์มีความหมายว่าอย่างไงหรือว่ามินประมาทพ้อวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าที่ทําอย่างเนี้ยเห็นไหมครับเพรมันก็จะเกี่ยวโยงกันเทียบเปาะเทียบเปาะเทียบเปาะมันดึงเป็นความสําคัญที่เราจะต้องเรียนเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่ามมินปรระะาาญณคืออไ ดับพวิญญาณคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระสวดเสียงพวิญญาณทำอย่างไงเห็นไหมครับแล้วก็มินประมาทาเจ้าคือมินประมาทพาวิญญาณบริสุดเหมือนกันไหมอันนี้ครับก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กนในขอน้อนี้นะครับโอเคครับเราไปที่ข้อที่หครับนะคพะวิญญาณบริสุดเกี่ยวข้องอะไรกับการอาธิษฐานนะครับข้อที่ห I have a personal relationship with the spirit นั่นหมายความว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวส่วนบุคคลกับพระวิญ ญ, ญาณได้เชื่ออย่างนั้นไหมนะครับอันนี้ท้องพระธรรมวหให้นะครับก็คือในยอหที่14ข้อ 16-17 นะข้อข้อครั บ, บ It's all right to pray to the Holy Spirit เราสามารถที่บอกค้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไหมปกติเราอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระบิดาใช่ไหมครับนะ ถ้าเราสังเกตคำอธิษฐานบางคนเนี่ยเขาบอกว่าข้าแต่พระเยซูปีกได้ไหมหรือบอกว่าพระวิญญาพระเยซูพระบุตรเราไม่อธิษฐานเรา อ, อธิษฐานต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไหมข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไหมซึ่งเราไม่ได้เคยได้ยินนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมักจะมีการอธิษฐานแบบนี้ใช่ไหมครับนะครับเราอธิษฐานแบบนี้ได้ไหมเห็น ไ, ไหมครับนะครับข้อที่แปครับ It's alright l to pray to Jesus Christ ที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อใหม่ครับ Manifestation ก็คือการแสดงอาการออกมานะครับ The Spirit sometimes uses our own psychological manifestation which we think are from Him ก็คือว่ามีอาการทางจิตวิทยาบางอย่างนะครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครับใช้นะครับและเราก็คิดว่าอาการกิริยาแ บ, แบบนั้นเนี่ยมาจาก พระองค์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยกอย่างครับเขาบอกว่า One thinking he has the gift of tongues when he d a l l y don't doesn't have หมายความว่าบางคนเนี่ยนะเขาสามารถพูดภาษาแปลกได้นยะโดยที่ว่าผู้วิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้โดนใจเขานะครับอันนี้แหล่งที่มาเนี่ยของการพูดภาษาแปลกแบบนั้นนะครับมาจากไหนครับ ถ้าไม่ใช่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แหล่งที่มาไหนไหนเขเหลืออยู่สแหล่งครับก็คือแหล่งของเนื้อนหนังตัวเองตัวเองสร้างขึ้นมาเองอีกแหล่งนึงก็คือมาจากมังสาตานนะถ้าพี่น้องได้มีโอกาสเข้าไปในที่ประชุมของกลุ่มที่เรียกว่านิวเอชนิวเอชนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคริสเตียนเลยนะครับนิวเอชเนี่ยนะครับก็คือเป็นพวกที่เขาเชื่อเรื่องพลังจั ก, กรวาลเขาเชื่อเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่นอกโลกะนะครับและพลังลังนธิเหล่านั้นเนี่ย เขาสามารถถ่ายทอดมาอีกคนได้พลงังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะก็คือคล้ายๆกับเฮสเพียนคล้ายๆกับพระองค์พีคล้ายๆกับพระเจ้าแต่เขาปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่พระเจ้าแต่มันคล้ายๆทานองนี้นมันก็เปี้ยคือพูดง่ายเอาก๊อตออกไปนะครับและเอาพลังจักรวาลนนมาแทนก๊อตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ต้องเอาก๊อตออกหรือว่าเอาพระเจ้าออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ ใ, ใส่อะไรเข้ามาก็เลยใส่ว่าพลังจักรวาลเข้ามา แล้วพลังจากวันพวกเนี้ยเวลาเขามาคล้ายๆกับว่ามาชุมนุมกันนะครับเขาก็จะมีการร้องเพงลงร้องเพลงซ้าแล้วซ้าเล่านะร้องไปเรื่อยๆร้ อ, องไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งพวกนี้มันเกิดอารมณ์ร่วมมันเกิดฮิปโนไทส์ขึ้นมานะเราก็มองเขาไปฮิปโนไ <c oughs> ทส์ฮิปโนไทส์ขึ้นมาปุ๊บเนี้ยอะไรเกิดขึ้นครับเขาก็เริกก่มพูดภาษาแปลกๆเขาเาริ่มตะโกนแลยนะครับเขาก็เริ่มพื้นพื้นในที่ประชุมของเขาละ นะครับผมเคยเห็นเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วครับนะครับทั้งในวิดีโอด้วยทั้งในของจริงด้วยนะครับก็เห็นชัดเลยว่ามันลักษณะคล้ายคล้ายกันกับกับเพืสเตียนบางกลุ่มบางอีกายนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยเรารู้เลยครับว่านั้นไม่ใช่พระพิญญาบริสุดแน่เพราะเป็นนิวเอชนะครับเขาไม่เชื่อพระเจ้านะครับแล้วมันมาจากอะไรครับมันอาจจะมาจากเงื้อหนังหรือมันอาจจะมาจากอะไรครับมารซาตา เพราะฉนั้สามแหล่งนะครับสามแหล่งที่มาได้ก็คือมาจากพระเจ้าพระนิญญาณบริสุทธิ์แหล่งที่สองก็คือมาจากเงื้อหนังของตัวเองตัวเองสร้างขึ้นมาบิว้วขึ้นมาเรียนรู้ขึ้นมานะครับอันที่สามก็มาจากมารซาตาทีนี้คนที่พูดภาษาแปกๆนี่นะครับเราต้องลอยตัวขึ้นมาก่อนนะครับผมอยากบอกว่าเราลอยตัวขึ้นมาก่อนการพูดภาษาแปลกๆนะครับไม่ใช่ทุกครั้งที่มาจากพระเจ้า คุณเชืมบางคนก็เชื่อว่าผูดภาษาแปลกเนี่ยเลิกล้ไม่มีแล้นะครับบางคนบอกว่าทุกครั้งที่พูดภาษแปลกนี่มาจากพระเจ้าหมดผมกำลัสร้างความสงบนั้นความคิดนะครับว่าเอาเอาในข้อตกลงว่าหนึ่งมาจากพระเจ้าได้ไหมได้สองมาจากเนื้อหนังโดยในไหมได้สามาจากมาราตานได้ไหมได้ ไม่ต้องระวังเถูกไหมครับเพราะเพราะว่าเราเห็นคนพูดภปสาแปลกปุ๊บเนี่นะครับแม้ว่าเราจะพูดไม่ได้นะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเรียนเรื่องพอมี ญ, ญาณไปสุดแล้วเนี่ยสามอย่างเนี่ยสามซอสนะครับสามแหล่งที่มาเนี่ย้อยเข้ามาแล้วว่าเออเราจะทํางไงถึงจะตอบสนองการพูดภาษาแปลกแบบนั้นที่นี่บอกว่าอะไรครับที่นี่บอกว่าบางคนนะครับคิดเอาเองว่าเขาเนี่ยมีของประธานทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยเขาไม่มี เห็นไครับนะครับสิครับ The Spirit sometimes works in our lives in ways which are not mentioned in the Bible เป็นไปได้ไหมครับเพราะวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยทาพระราชกิจขององค์ในชีวิตของเรานะครับโดยเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในชีวิตของเราที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอก นะครับยกอย่างเช่นมีของประทานบางอย่างที่เเคลมว่าโอ้โหนี่นะมาจากพระวิญญาณิจฉุดแต่ของประทานที่เขเคลมหรือเขาอ้างว่าก็มีพวกเนี่ยไม่ได้มีบนรจกในพระคัมภีร์ถามว่าเป็นไปได้ไหมให้วิญญาณทำอย่างนั้นไหมนะครับตรงนี้เ็าบอกว่า non-biblical ปภาษาอั non ์ว่า non-biblical non-biblical แปลว่าอะไรแปลแว่าไม่มีในคัมภีร์และก็มีคํานะครับแอน i ี Anti ้บ l i c a l ก็คือว่าขัดแย้งกับพระคัมภีร์เลย นะครับพ่อพีบอกว่าผลของพระวิญญาณเนี่ยต้องรักนะครับมีเก้าอย่างถูกไหมครับนะเลิศกับคิดอันนี้บอกว่าเกลียดชังเกลียดชังอะไรเกลียดชังศัตรูแทนที่รักศัตรูใช่ไหมและวก็บอกว่านี่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถามว่าได้ไหมเราเชื่อไห<ช> ม, ม, มอันนี้แอนทาร์ไบม์โฟดูไครับแอนทารไบนะครับอันนี้ก็ถ้าว่าพี่น้องผิอกาสกลับไปแนงก็ไปอ่านพ่อพีในหนึ่งโคิโที่สองข้อที่สิบนะครับโอเค ที่นี้เราพูดถึงเรื่องการเติมเต็มด้วยพวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตั้งแต่ข้อ11ไปถึงข้อที่15นะครับพี่น้องก็ติ๊ดูนะครับว่าเราเชื่ออะไรบ้างนะครับ11ถึงข้อที่15เนี่ยนะครับ f e l l i n g ก็คือการเติมเต็มด้วยพวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ we can not sin when we are filled with t holy spirit ก็คือว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่รับการเติมเต็มนะรับการเติมเต็มด้วยพวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะทาบาปไม่ได้ไครับ ตรงนี้ผมจะบอกว่าหลายครั้งเนียเราใช้ศัพท์นะพอเราใช้ศัพท์เนี่ยเราต้องตกลงกันก่อนนะครับว่าคำว่เาเราบอกว่า f i e l with the Holy Spirit นะครับกับคำ ว, ว่า anointing หรือ anoint with the Holy Spirit เหมือนกันไหมคำ ว, ว่า anoint ที่แปลว่าการเจิมใช่หครับการเจิมที่มามิญาบริสุทธิ์เนี่ยกับการเติมเต็มด้วยพวามิญาบริสุทธิ์เนี่ยเหมือนกันไหมบางคนเนี่ยใช้ศัพท์คำนี้นะครับก็คือ เปลี่ยนไปเปลี่ยนกันมานะเราอธิษฐานบอกข อ, อพระพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมพวกเราทั้งหลายนะครับแปลว่าเขาหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเติมล้าทั้งหลา ย, ยเต็มด้วพพยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยในคอสเนี่ยเราจะเรียนแบบนี้นะครับเพราะที่ว่าเราจะได้รู้ว่าการใช้ศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะใช้ยังไงให้ถูกต้องนะครับโอเคครับข้อสิสอง every Christian has sometime f i l l ิ i วิ t h ดสปิร i ตนะครับก็บอกว่าคริสเตียนทุกคนครับนะจะต้องรับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหรือเวลาในเวลาหนนะครับยกอย่างเช่นการ f i l l with t h e h อร์ตสปิ i ินี่นะครับก็เกิดขึ้นตอนที่เรารับเชื่อพระเจ้าและแอ a l v a t i o n ก็คือตอนที่เรารับพระเยซู ตอนรับโลงเข้ามาในชีวิตเราสารภาพบาปแล้วกลวกับใจแล้วทูลข อ, ขานะาอการอปัะโทษจากพระเจ้านะครับสิ่งต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นการ f ฟิล with the Holy Spirit หรือเปล่าการเติมเต็มด้วยวญญาณบัิสุทิ์หรือเปล่นานะครับข้อ13ครับ we should pray to be filled with the spirit รเราควรจะต้องอธิษฐานขอรับการเติมเต็ ม, ม, มจากวญญาณบัิสุษิ์ใช่ไหมนะครับ ถ้าคุณบอกว่าได้ใช่ก็ A ครับ Agree นะครับ14ครับ Mature believers are filled with the Spirit ก็คือผู้เชื่อหรือคริสเตียนเนี่ยที่เติมโตฝ่ายวิญญาณนะครับก็จะต้องถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่หรือไม่มันชัวร์คริสเตียนนะมันชัวร์ believers นะครับอันที่15ครับ Those filled with the Holy Spirit are mature believers ก็คือใครก็ตามฮนะที่รับการเติมเต็มในพระเยซูเนี่ยทุกคนเลยนะต้องอะไรครับต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ ญ, ญาณ อ, อย่างนีน้เขาเล่นคำกันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยชีวิตของคุณเนะี่ยต้องเติมเต็มในพระเยซูต้องฟิลวิลเฮลสปิริตข้อ15บอกว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็น m มชชัวแ e ลว์เบอร์เนี่ยนะทุกคนเนะี่ย นะครับจะต้องเติมเต็มใช่หรือไม่คือขาสลับกันเล่นคำสลับกันนิดหน่อยนะครับโอเคครับการผู้ภาษาแปลกในข้อ 16-20 ถึงบครับ I was, I was baptized in the Holy Spirit after my conversion ตรงนี้เขาเน้นเรื่อง second blessing นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้ฟังเรื่อง second blessing เนี่ยมันคืออะไรก็คือว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับกลับใจใหม่ รับเชื่อพระเจ้าแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยถามคำถามเบสิกกับท่านว่าคนคนนั้นเนี่ยบังเกิดใหม่แล้วหรือยังพี่น้องว่าไงครับคนที่กลับใจใหม่นะครับสรารภาพบาปแล้วรับเชื่อพระเยซูแล้วนะครับเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วนะครับ ยอมรับแล้วก็เป่าเนลาตัวติดตามพระเยซูตลอดชีวิตแล้วนะครับอันนั้นเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่เขาอธิษฐานรับเชื่อพระเจา้าจะเรียกว่ารับเชื่อพระเจ้าเนี่นะครับถามว่าตอนนั้นเนี่ยเขาลอดหรือยังตอนไหมครับรอดถามว่าตอนนั้นเนีขาบังเกิดใหม่แล้วยังบังเกิดใหม่แล้วยังครับบังเกิดใหม่แล้วนะครับแม้ว่าเขายังไม่ได้รับพธิธีศีลบัพติศมาก็ตาม เขาตายเวลานั้นวินาทีนั้นเขาไปสวรรค์ไหมไปไหมครับไปครับนะไปสวรรค์ทันทีเพราะเขารับเชื่อพระเจ้าแล้วรับด้วยปากเชื่อด้วยใจไปสวรรค์ทัน ท, ทีนะครับนั่นแหละคือการบังเกิดใหม่ถูกไหมครับแต่ถ้าเราเรียนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่ากระบวนการการบังเกิดใหม่เนี่ยมันก็คือต้องผ่านสี่ขั้นตอนของทบเทาอีกรอบนึงนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาสนะครับ สารภาพบาปกับใจ 2. ต้องทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าในผมผมพยายามเน้นเสมอนะครับเรื่องนี้ให้ชัดเจนทูลขอการเภัยโจากพระเจ้าและ3นะครับก็คือเปิดใจต้องรับพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระเจ้าไม่เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับอันที่4ก็คือตัดสินใจภรวานาตัวติดตามพระเยซูตลอดชีวิต สี่ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นแพ็กเกจนะครับถ้าคุณจะบังเกิดใหม่นะครับถ้าคุณจะต้อนรับเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อพระเจ้าเชื่อมีพระเจ้าแล้วคุณก็รอดแล้วไม่ใช่นะครับอันนั้นคือหลอกลวง <c oughs> ต้องรับทั้งแพ็คเกจสอย่างเนี่ยนะครับคือคุณต้องกลับใจใหม่สา ร, รภาพบาปสองต้องทูนขอการพิโคจากพระเจ้าสามต้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอด นะครับและสี่ติดตามพระเยซูตลอดไปหนึ่งแพ็กเกจสี่อย่างนี้นะครับต้องคบท้วนทีนี้ผมพูดเลยไปนิดหนึ่งครับก็คือว่าเวลาพี่น้องนำนำรับเชื่อพระเจ้านะถ้าพี่น้องไม่แน่ใจนะพี่น้องก็โทรมาหาอาจารย์ใช่ไหมครับโทรมาหาผมคือมาหาทิทานศรีบานบอกว่าอาจารย์ช่วยนำรับเชื่อหน่อยนะถามว่าต้องอาจารย์นำรับเชื่อจริงๆหรือเปล่าเขาถึงรอดอยู่ที่อาจารย์ขลังหรือไม่ขลัง ใช่รือเปล่าไม่ใช่มันอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเขากับพระเจ้าใช่ไหมครับเขาจริงใจกับพระเจ้าเขารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจผ่านแพ็กเกจนี้ทั้งแพ็กเกจนะครับเขาบังเกิดใหม่เขารอดแน่นอนอันนี้เราต้องย้าเน้นตลอดเวลา แล้วเราก็ต้องเช็คคนของเราตลอดเวลาว่าเนี่ยคนคนของเราเนี่ยที่มาบางังม า, ม า, ม, า, างมาบามาโบดนี่นะนะครับนะในกลุ่มแคของเราหรือกลุ่มกลุ่มเซลของเราหรือในกลุ่มคณะต่างๆอะไรของเราเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเขาบังเกิดหมายจริงเปล่าถามเขาส่อย่างเนี่ยนะครับถ้าเขาต้อนรับพระเยะซูแล้วเขาเชื่อว่า เขาเขาเขรู้วแล้วเขายอมรับเป็นคนบากเขาสารภาพบาปเขาทวงของไปในมเหตุโทษเขาเชิญพระเยซูแล้วเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูไปทิ้งโครงตลอดชีวิตนั่นแหละเขาบังเกิดใหม่แล้วถามว่าตายแล้วไปสวรรค์ไหมไปสวรรค์ทันทีทถาม้าเลยถ้าใครยึดอั ง, องบอกไม่แน่ใจนํารับเชื่อใหม่เลยครั บ, นะรบนำรับเชื่อใหม่เลยเพราะว่าอะไรเขาบอกเขาไม่แน่ใจเขาไม่รู้นะครับว่าเขามีชีวิตนิรันด์แล้วอย่างคนที่รับเชื่อแล้วครับไม่ยังเป็นต้องรับศีลเนี่ยก็ได้ชีวิตนิรนันด์ แต่การรับศีลเนี่ยถือว่าเป็นการอะครับเติมให้สมบูรณ์นะครับตามพระมหาบัญชาของพระเยซูก็คือว่าให้เขารับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนั้นคือการเติมตรงนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่การบัพติศมาพี่น้องครับไม่ได้ทําให้คนไปสวรรค์นะเช่นเดียวกันครับเด็กที่รับบัพติศมาเด็กก็เหมือนกันนะครับเด็กที่รับบัพติศมาเด็กแล้วเขาไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้กลับใจใหม่ตอนที่เขาโตนะ เขาก็ไม่ได้ไปสวรรค์นนะพงศ้พลอยนะครับการรับแบบสมาเด็กนี่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเด็กคนนี้นะครับพอพขาอายุสิบสามสิบห้าไปแล้วเนะี่ยและเขาไม่ได้คอนเฟิร์มนะไม่ได้าารประกาศประกาตัวว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนบาปไม่ได้ผ่านสีขั้นตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับไม่ได้ไปสวรรค์ น, นะครับแต่ถ้าเขาตายไปตอนเด็กตอนที่เขาไม่รู้เรื่องตอนที่เขาเริรับเชื่อไม่ได้โอเคนั่นเนี่เขาไปสวรรค์ เพราะว่าเขาไปตามพันสัญญาเพราะว่าเกิดในพันสัญญานะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ที่มันลงลึกไปแล้วนะครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับข้อ17ครับออข้อ16ก่อนข้อ16เนี่ยมีคำว่า second blessing อันเนี้ยเป็นหลักข้อเชื่อใหญ่ของกลุ่มเป็น e c o s ก็คือการอวยพรทั้นที่2หรือพักพรทั้นที่2หรือ second experience e x p i ซ i e n c e แรกก็คือการบังเกิดใหม่ที่วันที่าปไปแล้ว e x p กซ i เพลนที่สองคืออะไรครับ e x p กซ i e n c e ที่สองก็คือการเจมด้วยความมัยามสุดหรือการฟิลด้วยความมนยามสุดหรือที่พวกเป็นคร์สนะครับกลุ่มเนคสบอกว่าการบัพติสมาด้วยพวามมัาบริรสุทธิ์นะครับถ้าใครใกล้ชิดกับโบสถ์เค์สเนี่ยหรือมีญาติพี่น้องอยู่หรือเคยอยู่บสถ์เคสเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการบัพติสมาด้วยความมั่นาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งที่ นะครับจะเป็น second b a e s s i n g หรือจะเป็น third b a e s s i n g หรือจะเป็น fourth fifth b a e s s i n g แล้วแต่ตอนทีมีการเติมเต็มด้วยพอมญานบริสุทธิ์เนี่ยซึ่งเราอาจจะใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันแล้วเราก็เข้าใจว่าอันนั้นน่ผิดอน น, นุถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกให้พี่น้องว่าเวลาที่เรารับบอพติสมาร์ด้วยพอมญานบริสุทธิ์นะครับนะมันมีความหมายว่าตอนที่เรารับเชื่อ ใช้คำว่าบัพติสมาด้วยพระวิญญาณสุดเนีตอนที่เรากลับเชื่อรับเชื่อก็คือบังเกิดใหม่เนี่ยนะครับเราถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือถูกพระเยซูศรีก็เลยว่าแบทไฮสําคับก็คือจุ่มนะครับภาเทกก็คือเข้ามามีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าสับสน นะครับในขณะที่บางคนเนี่ยเขาสับสนว่าพอเรารับเชื่อพระเจ้าแล้วบังเกิดใหม่แล้วนะเราจำเป็นต้องมี second blessing ก็คือต้องเป็นอะไรฮะต้องบัพติศบบม า, าสุดอีกครั้งหนึ่งคุณถึงจะรอดไม่ใช่ละผิดแล้วนี่บอกฟังตรงได้เลยนะครับถ้าว่าคุณต้องมาบัพติศมาพระเมรุสุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่คุณรับเชื่อบังเกิดหไปแล้วนะนะชอยอย่างเงี้ยผิดนะครับพี่น้องเข้าใจไหมครับปามผันนะครับ ก็อะไรเพราะว่าเรารอดตอนไหนครับตอนเรารับเชื่อพระเจ้าเรียบร้อยแล้วผ่านแพ็กเกจสีสีข้อไปแล้วนั่นแนหะรอดแล้วนะฮะทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่รอดเขาสอนว่าไม่รอดคุณต้องอะไรคุณต้องบัพติศมาพระวิญญาณบสุทธอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาแยกตัวเนี่ยนะครับภาคกัมปีต้องรวมกันรวมกันคืออะไรครับก็คือตอนที่เรารับเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราอยู่ในพระวิญญาณแล้วหรือยัง เราอยู่ในพระคิสแล้วหรือยังอยู่ในพระคริสแล้วอยู่ในพระเจ้าแล้วตอนที่เรากลับใจใหม่รับเชื่อพระเจ้าตอนรับพระเยซูถูกไหมครับนะครับตรงจุดเนี้เป็นจุดที่สําคัญ Second Blessing มีหรือไม่มีไม่เกี่ยวความรอดผมพูดครั้งนะครับ Second Blessing เนี่ยจะมีหรือไม่มีเนี่ยไม่เกี่ยวกับความรอดโอเคไหมครับความรอดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับที่เรารับเชื่อพระเจ้าเราถูกเข้าไปอยู่ในพระคริสต์ นะครับเราถูกอ m มเมอร์ซ์อิมเคือจุ่มหรือคำว่าแบ็ไพร์เข้าไปอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ Back ์แล้วแบ็ไทร์เข้าไปอยู่ในพระวรกายของพระเยะซูเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเราจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณเนี่ยหลังจากที่รับเชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนที่เขาจะมีประสบการณ์การเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างหากเราจะไม่เรียกว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ถ้าใครจะเรียกก็แล่วแห้เขาแต่เราเข้าใจว่านั่นนะครับก็คือการ Feel with the Holy Spirit ไม่ใช่เป็นการแบ p t i z e in the Holy Spirit โอเคไหมครับนะแล้วเราก็ซอ้อนเราก็พูดไปนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเถียงกันว่าคุณผิดฉันถูกฉันถูกคุณผิดนะครับเพราะว่าจริงแล้วก็มันก็ไม่จบเถียงไปเถียงมาเีไม่ถงมาแต่เรารู้หลักการเราเก็บไว้ของเราแนวะว่าหลักการเนียมันคืออย่างนี้ นะครับโอเคครับพอเราไปเจอคนที่สอนต่างนะครับเรารู้ว่าโอเคเขาคิดอย่างนี้เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้จำกัดความคําว่าแบดไพรส์นะครับใน the Holy Spirit ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าบอกว่าเราแบดไทรสได้กี่ครั้งครับใน Holy Spirit เนี่ยบดไพรสได้กี่ครั้งมี่น้องแบดไทรสได้หลายหครั้งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็แบดไพรสได้ครั้งเดียวเพราะมีบันฑ์บัทิซึมใช่ไหมครับบางที่บอกมีปัิสมารเดียว และบัพต right. ิศมาเดียวนั่นคืออะไรบัพติศมาฝ่ายวิญญาณมีครั้งเดียวบัพติศมาฝ่ายร่างกายก็มีอีกครั้งนึงแค่นั้นนะถูกไหมครับเพราะั้นบางคนก็บอกว่าบัพติศมาฝ่ายร่างกายก็คือต้องจุ่มน้ําหรือเอาน้ำพรมนะครับตรงนั้นนะเรียกบัพติศมาในวิญญาณโดยสุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันอันนั้นคือบัพติศมาคือการประกาศตัวแต่บัพติศมาในวิญญาณบริสุดเนี่ยคือการอะไรครับการจุ่มฝ่ายวิญญาณเข้าไปอยู่ใน ในพระวรกายของพระเยซูคริสต์ซึ่งมองไม่เห็นนะครับแต่การบัพติศมาด้วยน้ำเนี่ยนะครับคือการเข้ามีส่วนในขึนจจักที่เรามองเห็นถูกครับการบัพติศมาฝยวิญ ญ, ญาณเนี่ยก็คือการเข้าส่วนในขึนจจักที่มองไม่เห็นก็เรียกแ h o l i c <ath olic> Church พี่น้องเข้าใจคำว่าแคทอลิกเชิญไหมครับไม่ใช่ศาสนาจากแคทอลิกที่เราเห็นนะครับแต่แคทอลิกเชิญมีความหมายว่าขีตจักรสากลขีตจักรสากลมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมพี่น้องขีตจักรสากลอยู่ที่ไหนไม่มีแต่ขีตจักรสากลมองไม่เห็นแต่มีในแง่ที่ว่าเป็นพระวรกายของพระเยซูพวกเราเนี่ยเป็นสมาชิกขีตจักรวัฒนาบ้างขีตจักรไม่ดิจิตบ้าง แต่ในเดกาเนี่ยเราเป็นสมาชิกที่จะจักรสากลที่พองไม่เห็นและที่จักรสากลเนี่ยก็คือทั่วโลกเลยนะครับที่เป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าบังเกิดใหม่นะครับคนเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกคิดจักรสากลซึ่งเป็นสมาชิกเรียกว่าเป็นพระวรกัยของพระเยซูโอเคไหมครับนะตรงจุดเนี่ยเป็นจุดที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเรื่องนึงที่ใหญ่ๆเกี่ยวเรื่องของขหลักข้อเชื่อและศาสนาสามเรื่องคิดจักร นะครับแต่ผมอธิบายอย่างเนี้ยให้พี่น้องได้มีได้มีโอกาสทบทวนหลายๆท่านก็เรียนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถูกจัดระบบตรงเนี้ทําให้เรามีโอกาสคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้พอเวลาเราเข้าไปแล้วก็เจอปัญหาอะไรหลายอย่างนะครับหรือว่าเจอคําถามหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้เคลียร์ว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยต่อไปนะครับแล้วเราก็จะได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ถามครับหลังจากสิบห้าก็ขอโทษฮะสิบตอนนี้อยู่ที่สิบแดนะ 18ครับ I have had a gloss glossolalia experience นะครับคำว่า glossolalia เนี่ยก็คือภาษาลิ้นนะครับเช่นอะไรอะไรอะเนี่ยก็คือพูดนะครับหรืออธิษฐานเนี่ยก็เรียก glossolalia นะครับหรือว่า speak in tongues หรือ ecstatic speech ก็คือภาษาที่อะไรครับประหลาดประหลาดนะครับ which was not real tongues e s t เตติก s p ีชช์นี่นะครับเขามุ่งเน้นในแง่ของที่ว่ามันไม่ใช่เป็นการพูดภาษาแปลกๆในลักษณะของของประานจริงๆนะครับเขาบอกว่าเขาถามเรานะครับพี่น้องเขาถามส่วนตัวนะบอกว่าคุณเคยพูดภาษาแปล ก, ปลกไหมเคยไหมครับถ้าเราบอกว่าเคยแต่ว่ามันเป็น e x p e r i e n c ์ที่อะไรครับไม่ใช่ของแท้ นะครับผมหัดพูดผมเรียนแบบเขาพูดหรืออาจารย์ที่วางมือผมเนี่ยบอกให้พูดตามอย่างนี้ก็มีอยู่้ครับนะผมเคยผมจะเล่าประสบการณ์ของทีฟังก็คือว่าผมไปแสวงหาการรัรกษาโรคจากพระเจ้าอตอนที่ผมไม่สบายป่วยเป็นมะเร็งผมก็ไปทั่วเลยอ่ะเพราะตอนนั้นนั่นก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีทางที่จะรักษานะหรือทางที่รักษามันมีอยู่แต่ว่ามันเสี่ยงโอกาสเสี่ยงสูงมาก โอกาสเสียงสูงก็คือว่าเราสามารถที่จะตายคาเขียงได้ตายชาห้องพยะห้องห้องห้องแอดพิตต์กลไกได้ก่อนจะทำเนี่ยนะผมก็ไปไลโบดเลยนะีมีมีโบดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์เขาบอกว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ฟังมี่น้องใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับนะอยู่ในพระธรรมโกลใช่ไหมความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ฟังนะครับเพราะนั้นคุณจะสร้างความเชื่อ คุณก็ต้องได้ยินได้ฟังอะไรได้ยินได้ฟั ง, งพระคมพีนะครับเขาก็จะเปิดพระคำพีเนี่ยให้เราฟังซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ํามาแล้วก็ให้เราพูดซ้าไปซ้ําไปซ้ําไปซ้ํามาซ้ำไปซ้ ำ, ปำมาเยอะๆๆๆๆๆครับปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะทําให้พระคำพีเนี่ยเข้าไปอยู่ในสมองของเราเข้ามาอยู่ในห่วงจิตจิตสํานึกจิตใต้สํานึกอะไรกัแล้วแน่นะ่แล้วมันจะทำให้แล้วจะเขาบอกว่าจะทําให้เกิดความเชื่อนะครับ ย่องเช่นหนึ่งไปตรงไปที่สองข้นะครับก็บอกว่าอะไรครับบอกว่าพระเยซูแผนอยู่ที่ต้นไม้นี่มีครับรอยแผงเขี้ยนของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าได้รับการรักษาให้หายพร้วผีตอนนี้เขาให้ท่องซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปจนเราเกิดความเชื่อแล้วเขาก็โยงพั้วผีข้อนึงว่าเมื่อเราเกิดความเชื่อนะครับหมายสําคัญก็เกิดนะเมื่อเราเกิดความเชื่อการรักษาโลกก็จะเกิดอันนี้คือคําสอนของกิตจักร ที่เขามีภาราใจในการทำบรกิจเกี่ยวเรื่องการรักษาโลกมีที่หนึ่งก็ไปไปถึงปุ๊บเนี้ยเขาก็เน้นเรื่องการพูดภาษาแปลกเพราะว่าการพูดแาษแปลกก็คือการการที่พระวิญญาณเนี่ยประทับอยู่หรือการเจิมของพระวิญญาณเนี่ยแกก็มาอธิษฐานเบผมมาวางมือแล้วมากดท้องผมตอนนั้นผมก็ยังเป็นเนื้อสารเก้าคิดทำ เราก็แสวงหามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอย่างนี้นะเขาเดินทางไปงกับทัพโบดไปใครก็ที่แบบว่าใครที่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าอยู่กับเขานะพระเจ้าสถิตกับเขานะเราก็ไปให้แกวางมือนะแกก็กดท้องผมนะกดท้องผมแล้วก็บอกว่าให้ผมพูดตามไอ้ผมก็พยายามเที่ยวว่าคือเราก็อยากจะพูดอะเราก็เหมือนกับว่าอยากจะได้ของประธานเรื่องเนี้นะครับผมก็แต่ผมมีความรู้สึกอย่างนึงว่าทําไมเราต้องพูดตามเวอถ้าเกิดมาจากพระเจ้าจริงๆเราก็พูดเองได้ ในที่สุดแต่ผมก็พูดไม่ได้นะนะครับแล้วก็ไม่ได้รับของปรทานแต่ว่ามันมีบางคนที่ก็เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องจิตอ่อนหรือใจที่อยากจะพูดอยู่แล้วเขาพูดตามเขาพูดตามมันก็ได้ขึ้นมาอันเนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของคนกลุ่มหนึ่งแต่ผมจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของคนที่ไม่ได้ว่าเ้ยคุณไม่มีความเชื่อคุณเลยไม่ได้คุณไม่ยอมที่จะเปิดใจคุณก็ไม่ได้ อะไรประมาณนี้เราก็มานั่งคิดดูว่ามือนกันจริงหรือเปล่าพอเวลาผ่านไปปุ๊เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ความจริงเมื่อเราอา่นานพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นนะครับผมก็เลยหนุนใจผมก็ไม่บอกว่าคนพูดได้ผิดคนพูดไม่ได้มีความเชื่อน้อยนะครับหรือว่าคนที่พูดได้ก็เขาก็มีความเชื่อมากกว่าคนที่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็น second class Christian นะครับก็คือว่าคนพูดได้ก็เป็น first class นะใกล้ชิดพระเจ้ามากเลยแต่คนที่พูดไม่ได้ก็เป็น second class อย่างนั้นจริงหรือเปล่า ต้องมีผู้อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่พูดได้อย่างเดียว Thompson. จะต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจริงหรือเปล่านะครับคนที่พูดไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้เลยหรอ uh? นะครับคนที่มีพระวิญญาณผลพระวิญญาณเต็มเลฮะมากกว่าคนที่พูดไม่ได้นะครับนะอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้อย่างงั้นหรือไม่เห็นไหมครับหรือคนที่เป็นคนที่พูดได้แต่ชีวิตเนี่ยไม่สอดคล้องเลยนะครับชีวิตแย่เอ้าอย่างนั้นนี้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไหม เห็หมครัมันก็มีคําถามในต่างนี้มากมายนะคอ่ะแล้วก็ถ้าพี่น้องเนี่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงการเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนพวกเนี้ยพี่น้องก็จะเห็นเลยครับว่าพวกที่พูดภาษาแตลกนะนะครับผมผมประสบการณ์มาพอออกจากโบสพุ๊บคนละคนเลยอย่างนี้เป็นต้นครับออกจากโบสพ์ปุ๊เนี่ยก็ไปโกงเขาก็มีอย่างนี้ถือว่าพวกมันยังไสุดสถิตกับเขาเนี่ยทักโขกออกหรือยังไงครับ มาเข้าตอนพูดภาษาแปลกๆ แ, แล้วก็ออกตอนที่ออกแก้โกรธ <c oughs> อย่างงั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทำกับเขาเนี่ยเหมือนกับทํากับคนที่อยู่ในพระมังพีเดิมใช่ไหมเพราะในพระมังพีเดิมนะครับกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเผยพระเ้าได้นะพอต่อมากษัตริย์ซาอูลก็จะคิดฆ่าดาวิดละอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยวิญญาณชั่วเข้าสิงซาอูลได้ วิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้าสิงซาอูลได้วิญญาณพระเจ้าก็เข้าเข้าทับอยู่ไม่เข้าวิญญาณสุทิไม่ได้เข้าสิงนะวิญญาณชั่วเข้าสิงแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยประทับอยู่ในตัวซาอูลได้เวลาวิญญาณชั่วเข้าสิงซาอูลเนี่ยดาวิดต้องดีดทินนะครับวิญญาณชั่วถึงออกจากซาอูลอย่างนี้นี่คือสิ่งที่บันทึกในพระพรีเดิมแสดงว่าพระพรีเดิมนียวิญญาณสุทธิ์เนีขอโทษครับใช้คำว่าพระองเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวไป เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเราเห็นเพจการแบบนั้นแต่ในพมพีใหม่ไม่มีนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยเสด็จกลับขึ้นสวรรค์แล้วนะครับพระเยซูคริสต์บอกว่าเราจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับท่านและพระวิญญาณสุดจะไม่ละทิ้งท่านอีกเลยซึ่งหม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยสถิตกับเราตลอดเวลามไม่ได้ขับเข้าออกไม่ได้ไปไ ป, ไปมามาเห ม, มือนกับในพมพีเดิมเพราะว่านี่เป็นยุค ข, ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วโอเคไหมครับนะชัดเจนตรงนี้นะครับเอาละครับ เดี๋ยวผมให้ถามครับเย็นๆนะครับข้อต่อไปครับข้อที่19 the b i b l i c a l g i f t of tongues must be in a foreign language unknown to the speaker เขาบอกว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนะครับจะต้องพูดภาษาอื่นๆไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะภาษาอื่นๆที่เข้าใจได้แต่ตัวเองไม่เข้าใจ ยกอย่างเช่นผมผู้ภาษาเกาหลีไม่ได้ผู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่วันนี้คือดีเนี่ยพระวิญญาณบรสุกับประธานของประทานเรื่องการพูดภาษาอื่นๆ น, นะครับเาเรียกว่า arter language arter tongues ก็คือว่าเป็นภาษาอื่นที่เข้าใจได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมยกอีกอย่างครับตอนพระทากิจการที่สองนะครับตอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จมาในห้องชั้นบนใช่ครั บ, รร ส, นะรบสันฐานเหมือนลิ้นติดไฟ นะครับเข้ามาอยู่ในห้องนั้นเนี่ยแล้วพวกเขาเนี่ยรับพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นะครับอันนั้นเป็นการเปิดฉากของยุค ข, ของพระวิญญาณนะครับตามคําสัญญาของพระเยซูพระเยซูบอกว่าเมื่อเราไปแล้วนะครับพระวิญญาณจะมาหาท่านะรับพระวิญญาณเสด็จมาในวันเป็น Stay, เอกว็อสตวันเป็นเอคอสพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าอะไรเกิดขึ้นครับพวกเขาเนี่ยพูดภาษาอื่นอื่นนะ ไม่ใช่พูดภาษา แ, แปลกๆนะแต่ภาษา อ, อื่นๆเนี่ยคือภาษาที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจคนพูดไม่เข้าใจแต่คนฟังรู้เรื่องเข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าพวกเขาเชิงมนสนเทศเชิงมนสนเทศเรื่องอะไรเพราะว่าสิ่งที่เปโตรพูดสิ่งที่อคาทูดพูดเนี่ยนะครับเขาฟังเข้าใจเพราะเป็นภาษาเขาเองภาษาเขาเองก็คือว่าพวกกิวเนี่ยนะครับช่วงเทศกาลประศึ ก, กาเทศกาลบีกเพิงพวกเนี้ย ปีน <JB> ึงเนี่ยคนยิวนครับถ้าเคร่งๆรเนี่ยเขาจะต้องมาเยอเซมเนี่ยปีละสามครั้งนะครับที่ไม่เคร่งเนี่ยก็คือปีละครั้งก็คือเทศกาลปัสกาเหมือนกับมุสลิมเนี่ยจะต้องไปที่เมกาปีชีวิตหนึ่งเนี่ยจะต้องไปครั้งหนึ่งที่เมกาถูกไหมครับนะคนยิวเนี่ยนะเคร่งกว่านั้นอีกก็คือว่าปีนึ่งเนี่ยคุณต้องไปอย่างน้อยเนะครับหนึ่งถึงสาครั้งหนึ่งก็คือปัสกานะครับแล้วก็ถ้าเคร่งๆมากๆก็คือไปปีละสามครั้งเมื่อไปปีละสามครั้งเนี่ยนะครับอะไรเกิดขึ้น เขามาจากทั่วโลกนะครับเพราะว่ายิวเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่กรีซย้ายอยู่ตุรกีย้ายไปอยู่นู่นอยู่นี่นะครับบางทีบอกว่ามีตั้งกี่ภาษาเนี่ยที่เขาเนี่ยมาจากแต่ละทิศแต่ละที่กันเลยอัรทาาูดพูดครั้งเดียวครับไม่ได้พูดสิบกว่าภาษานะพร้อมๆกันไม่ใช่พูดภาษาเดียวแต่พวกเขาเนี่ยได้ยินเป็นหลายภาษาถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็คือว่าผ่านเครื่องแปลอัตโนมัติ มันอยู่ที่หูของเขานั่นคือภาษาอื่นๆครับเพิ่งที่พูดชัดเจนว่านั่นคือภาษาอื่นๆเป็น language นะครับไม่ใช่เป็น g l o s s o l a l ไม่ใช่เป็นทาคือพูดแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าในวัน Pentecost นะครับอัาารครสาวกหรืออัครทูเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาที่คนรู้เรื่องพูดง่ายว่าพูดภาษาคน ไม่ใช่พูดภาษาผู้สวรรค์นะครับหรือไม่ใช่พูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราชัดเจนตรงนี้ปู๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าคราบีใช้ชัดเจนมากเลยนะครับและเราอย่าสับสนเรื่องนี้นะครับตรงนี้ในข้อสิบเก้าเนี่ยพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าจะต้องอยู่ใน foreign language นะครับ foreign language นะครับซึ่งคนพูดไม่รู้ไม่เคยเรียนมาก่อน นะครับข้อ20ครับ the gift of tongues is being distributed by the Spirit today เรื่องนี้ไม่เรื่องใหญ่นะครับถามถาว่าทำไมเรื่องใหญ่เพราะว่าของประธานนะครับในเรื่องการพูดภาษาแปลกๆอันนี้ไม่ไม่พูดถึงเรื่อง language นะครับการพูดภาษาแปลกเนี่ย is being distributed ก็คือว่ายังมีอยู่ณเวล า, า น, นี้นะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประธานให้พี่น้องเชื่อไหม คำถามนี้มันเกิดจากอะไรครับคือมีกลุ่มที่เชื่อว่าของประทานเรื่อง ก, การพูดภาษาแแปลกเนี่ยหมดแล้วไม่ต้องไม่ยังเป็นไม่มีแล้วนะครับนะครับหลายๆโบสถ์นะครั บ, นะร บ, บ, รบก็จะเชื่อแบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการพูดภาษาแปลกแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาจะยกคั้งพีมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยังพีข้อนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้นนะครับโดยเฉพายิ่งในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่าบนะครับจะมีการ วิเคราะห์โดยใช้ภาษากรีกโดยใช้ไวยากรณ์กรีกด้วยนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยคือ the, the cessation of the gift ก็คือการหยุดของไครครับของของประทานฝ่ายวิญ ญ, ญาณนะครับยีบเครับยี่สบเอ็ดถยีบสีนะครับ Biblical prophecy is always inerrant เชื่อไหมครับว่าคำไวยากรณ์นะครับของพระคัมภีร์เนี่ยผิดพลาดไม่ไดเลย ร้อเป็นถ้าเป็นพยากรที่มาจากพระเจ้านะเป็นพยากรที่แท้จริงช p r o p e c y never has errors เชื่อไหมครับหรือไม่แน่ใจนะครับยิบสองครับ Property can be exercised by any Christian การพยากรนะครับสามารถถูกกระทำได้โดยคริสเตียนใครก็ได้ นะครับใช่หรือไม่คึดว่ายงไงว่าถ้าคุณเป็นครื่เสียงบังเกิดใหม่นะคุณสามารถที่จะพยากรณ์ได้ใช่หรือไม่นะครับ23ครับ Some New Testament Prophecy is less authoritative than Old Testament Prophecy ก็คือคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับมันมีสิทธิอหนาจ น, น้อยกว่าคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมใช่หรือไม่ อย่างใ น, นพระมหากษัติยเดิมเนี่ยอิสยาพยากรณ์ถึงเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ไหะนะแล้วก็ถูกต้องเลย500ปีห600้อปีพยากรณ์ล่วงหน้าถึงพระเยซูเนี่ยถูกเพ่เพ่เพ่เพเพ่เพ่ไนะครับถ้ามีน้องฟังไลน์นะครับของผมเนี่ยสี่วันที่เราเดินกับคำพยากรณ์นะครับในไลน์นี่พี่น้องจะเห็นเลยครับว่าคำพยากรณ์เนี่ยในพระมหษิยอิยาก็ดีเยเรมีก็ดีหรือแม่กระทั่งในโรมการ์ก็ดีนะคือพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ ย, ยอย่างน้อยเนี่ย้าร้อปี ก่อนพี่เยซูมานะครับอันนั้นคือว่าโอกาสถูกเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยถ้าเหมือนกับฟุกๆุกตลอดวุกๆเนี่ยไม่มีทางปิดโอกาสถูกแน่นอนคือคุณไม่สามารถดาวอะไรได้อีกห้าร้อปีข้างหน้าครับอันนั้นคือรุมยากรที่ต้องถูกร้อซพูดถึงพระเยซูต้องถูกร้อเซพูดถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูนะครับพูดถึงตัวหนอนตัวหนอนถูกร้อยที่น้องรู้จักตัวหนอนไหมครับ ตัวนอนนะพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนเนี่ยพระองค์เนี่ยเคลื่อนไหวแบบตัวนอนก็คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเนี้ยมันคือตัวนอนที่ดึด้อๆเนี่ยถูกพยากรไว้อยู่ในพระธรรมสรุปดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยนะครับถามว่าในรพระคัมภีร์ใหม่มีคำพยากรไหมมีรับวีวอนครับถูกไหมครับและในกิจการก็มีคำพยากรเหมือนกัน นะครับถามว่า a u t o r n a t i v e ก็คือว่าสิทธิทอำนาจเนี่ยครับมันเข้ากันไหมนะครับระหว่างข้อพีเดิมค้ายากรพเดิมและค้ยากรในข้อพีให ม, ม่ถามว่าสิทธิทอหนาจเท่ากันหรือไม่อันนี้คือในข้อที่19เออข้อยบสามครับอ่า24สี่ครับนี่เรื่องนี้ก็สำคัญอีกมันก็ร้อเรียนกับข้อที่ยี่สิบนะครับบอกว่า some spiritual gifts have system ก็คือมีขอบัตรทานฝ่ายวิญญาณบางอย่างครับหยุดแล้วไม่มีละยกตัวอย่างเช่นเอ า, เอาผ้าเช็ดหน้าวางปุ๊บคนหายโลกทันทีเลยอันนั้นเป็นการอัศจรรย์ใครทำครับใครครับใครครับพี่น้อง ไม่มีใช่อยู่ในเรื่องพีครับขอโทษอาจารย์บอโลครับห้าเข็มหน้าวางงายเเมื่อประมาณสิบกว่ายี่สิบปีที่แล้วนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านก็เทศนาใช่ไหมครับในวงใหญ่ๆเนะี่ยท่านก็ยกน็กไทขึ้นมาท่านก็เรียนแบบอาจารย์บอโลนะเน็กไทรักษาโลกเหมือนกันพอเวลาเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราบอกว่า เรามีความรู้สึกเลื่อมใสอาจารย์ท่านนั้นนะแล้วเราอาจจะมีบางคนที่เขาบอกว่าหายหายหายเนี่ยเราก็จะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าใช่ใช่ใช่ใชแล้วเราก็มีความเชื่นี่เห็นด้วยตาจริงเลยนะว่ามีคนหายแต่ถามว่าเวลาที่เราบอกว่าใครหายเนี่ยนะใครจะเป็นคนบอกได้ชัดเจนคนคนที่จะตอบได้คือหมอครับพระเยซูรักษาโรคหาย โรครักษาคนโรกเรือนนะครับสังคมในสมัยของพระเยซูใครจะเป็นคนที่วินิจฉัยว่าคนลูกเรื้อนหายคําตอบก็คือใครครับไปหาปูโป่โลหิตครับปู่โลหิตเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือว่า diagnosis ว่าคือวินิจฉัยว่าคุณเป็นเพราะคุณเป็นกู้งแล้วคุณเป็นมอนทินแล้วเพราะอะไรครับกฎบรรยายของโมเสสว่าถ้าคุณเป็นโรคเรื้อนมอนทินนะคุณต้องออกออ ก, ออกจากชุมชน เวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยต้องบอกว่ามลทินมลทินเพราะอะไรครับเพราะตะโกอันนี้คือเรียกว่าในเชิงของสุขสุขสาธารณาสุขเพื่อที่ไม่้เกิดการแพร่เชือ้อและเขาก็จะต้องมีคอมมูนิตี้หรือคอมมูนของคนที่เป็นโรคเลือดอยู่นะครับถ้าเราดูหนังเรื่องเป็นเธอรนี่เราจะรู้เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ อ, อะไรครับเขาเรียกว่าประเกตีกฎเกณฑ์ของโปรเซเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของคนที่เป็นโรคติดต่อนะครับ เ พ, พิ่มพีห้ามแตดโศกเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ตายเนี่ย น, นะครับส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยก็คือไม่แก่ตายก็เป็นโรคายติดเชื้อโรคติดเชื้อคนี่ฆ่าชีวิตผู้คนในในในในอดีตเนี่ยเยอะที่สุดจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยาเพนิซิลินค้นพบยาแอนติบอดติทั้งหลายเนี่ยการตายด้วยโรคติดเชื้อคือน้อยลงในเวลานี้ไม่ค่อยตายด้วยโรคติดเชื้อจะตายด้วยโรคที่ ไม่ติดเชือ้อเือใหญ่นะครับโรคหัวใจโรคมัวเลงโรคความดันโลวอะไรต่างเนี่ยนะครับโรคติดเชื้อก็เป็นส่วนหนึ่งของการตายเยแต่สมัยก่อนเนี่ยคนตายเพราะโรคติดเชื้อเยอะ้ามีถึงห้ามว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นแตกศพมาเนี่ยนะคุณต้องเป็นมนตินเป็นกี่วันกี่วันกี่วันเพราะอะไรครับเพราะคนจะเข้าใกล้คุณไม่ได้คุณต้องจำจำจ ำ, ำ, ำการชาระตัวในบังทีเดิมเดี๋ยต้องชาระตัวกี่วันกี่วันวัน เพื่อ น, นี่แหละครับเพื่อ น, นี่ว่าคนอื่นเนี่ยจะได้แยกตัวจากผลเซปเรชันเนี่ยการแยกตัวในาการไอโซเลทเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่ติดเชื้อโรคระบาดไม่แพร่อันนี้คือสุขค่ขอนามัยนยของคนหิวที่พระเจ้าวางไว้ให้ในชีวิตของเขานะครับเอาล่ะครับ24ข้อเนี่ยนะพี่น้องมีคำถามครับ ป้นแรมเ <_ P> <ala> อาส <Sh ör Canvas usc alled> ัก <tai> ข <tea> ้อน as DO ึ่งเชิญครับเชิญครับเชิญครับแทนอาจารย์แรมเชิญครับเรามาสุดท้ายยังแอบแต่ที่ว่าการศันายอย่างข้ามไปหมายความว่าถ้าหากปัจุบันย่างนี้มันไม่มันไม่ใช้ไม่ได้แล้วมันไม่มันได้เกิดขึ้นใือนี้ใช่ครับคือมันหยุดแล้วยกอย่างเช่นในข้อที่20นะครับบอกว่า ของประานอย่างหนึ่งของขพระมีญญาณบริสุทธิ์ก็คืออะไรก็คือการพูดภาษาแตลกๆครับนะครับบางบทตรสอนว่าหยุดแล้วไม่มีแล้วถ้าคุณพูดเนี่ยแสดงว่าคุณเงื่อนหนังหรือไม่เงื่นมาจากมาจากมารซาตานโอ้โหทีนี้พอถ้ามาจากมารซตานปุเกิดเรื่องเลยครับเพราะอะไรครับเพราะผมก็อนิี่านอยู่ในโบสถ์ดีๆเนี่ยมารซตานมันเข้ามาได้ยังไงคนก็บอกว่ามารซาตานเข้ามาโบสถ์ได้มารซตานยังพาพระเยซูเข้าไปอยู่ในอยู่หลังคาพระวิหารได้เลย ใช่ไหมครับตอนที่มาซาตานี่ทนลองพระเยซูถูกไหมครับมันมาซาตามันอยู่ได้ทุกที่อยู่ในโบสถ์ได้ไหมอยูนในโบสถ์ได้ไหมครับเพราะหลายหลายคนก็บอกว่าเวลาที่เข้าโบสถ์นะครับต้องอธิษฐานบุ่มัดก่อนอธิษฐานบุกมัดมันก็เข้าไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นโลคของวิญญาณที่เราไม่ไม่รู้ ร้อยเปอร์นเพราเรามองมีเห็นใช่ไหมครับแต่เราก็ทําทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อเพราะเราต้องทําทําเพื่อเราเกิดความสบายใจทําเพื่อหลายๆคนเกิดความมั่นใจความง่ายเป็นอย่างนี้เห็นะครับอันนี้ก็คือการการอะไรฮะเพื่อเฟื่อการดูแลซึ่งกันและกันนะครับ ผมยกอย่างครับขอให้พี่น้องได้มีโอกาสเปิดนะครับในหนึ่งโครินบทที่สิบสี่นะครับในเราอยากในข้อที่หนึ่งครับจนถึงข้อที่ห้าอันนี้เป็นตัวอย่างของประธานนะครับสามอย่างด้วยกันนะครับ บทที่14นะครับหนึ่งโคดินบทที่14ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่5้าครับชนะทํา ง, งานนี้ไหมครับหนึ่งสองสาม 1, 2, จงมุ่งหาความรักและวลขวายของประธานขวัญพระวิญ ญ, ญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยโฆษณาะะเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่ผูดภาษา แ, แปลกได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพรวิญ ญ, ญาณ ฝ่ายผู้ที่เผยพจนานั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทําให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพจนานั้นย่อมทําให้กระจัดเจริญขึ้นข้าพเจ้าใล้ท่้ทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาใช้ท่านทั้งหลายเผยพจน์ได้เพราะว่าผู้เผยพจนานั้นได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้ เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษาแบบแปลงนั้นพอเ <C> e <ase> พื่อที่จะจะได้รับความเจริญพื้น <C> e <ase> ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนัคอมเมนทอรี่เนี่ยหรือว่าการอธิบายนะในภาษากรีกเนี่ยเป็นเรียกว่าเล่มได้เลยนะบทที่สีเนี่ยคือการโต้แย้งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาในประมาณ100ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีพศหนึ่นะครับมันเกิดเหตุการณ์พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จมา ที่ถนนนะอาซูซาอาซูซาที่แคลิฟอร์เนียนะครับอาซูซาสตรีเนี่ยเขาเรียกอาซูซาสตรีนะครับ Experience เอ็กซ์พีรเรียนเอทให้เกิดการบูมมาขึ้นมาของการถือกาเนิดของคณะเพเดคอสโต้นะครับก็คือคณะเพเนคอสเองถ้าดูประวัตินะเพเดคอสเนี่ยก็จะเกิดมาตอน1901นะทีนี้ เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาโต้แย้งกันมาใน เ, นเวลาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่1901ปีนี้2014นะครับก็113ปีนะ่ะ114ปีเรื่องอะไรครับเรื่องนี้นะครับมีของประทานสามอย่างนะครับของประทานอย่างแรกที่อยู่เนี้ก็คือการเผยโภชนาะนะครับของประทานอย่างที่สองก็คือการอะไรครับการพูดภาจาแปลก ของมาทานอย่างที่สมก็คือการแปลภาษาแปลกๆในข้อที่ห้านะอาจารย์เรบอกว่าอะไรครับในข้อที่5บอกว่าข้าพเจ้าใครทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาให้ทั้งหลายเผยโจนาได้แสดงว่าการเผยโจนานี่นะนะครับใหญ่กว่าการพูดภาษาแปลกใช่ไหมคนเช่นของมาทานเนี่ยมีแบบใหญ่กับแบบ มีหลายไซส์มีแบบที่ใหญ่กว่ามีแบบที่เล็กกว่าใช่ไหมถูกหมครับหรือว่ามองที่ประโยชน์ประโยชน์ของของประธนนั้นเป็นหลักเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณพูดภาษาแปลกๆคนฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเผยเข้าจะนะคนฟังเข้าใจเพราะคุณใช้ภาษาคนภาษามนุษย์ แต่ถ้าคุณผู้ภาษาแป ล, แปลกเหมือนกับกอสโซเรียหรือสปิกอินทังเนี่ยก็คือคุณผู้ภาษาทูสวรรค์ละนะครับซึ่งภาษาทุทสวรรค์เนี่ยนะครับก็อยู่ในครื่องผีตอนนี้เหมือนกันว่าเนี่ยพู้ภาษาผู้สวรรค์นะครับก็คือไม่มีใครเข้าใจมีแต่นะครับมีแต่ฝ่ายวิญญาณหรือพวกวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้าใจนั่นคือภาษาทูสวรรค์กับไม่มี2 อ, อย่างเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการผู้ภาษาแปลก สองแต่อโทษแการเดิชนะสองคือการผู้กระสายแปลกสามคือการแปลงกระาแตกความผทานสามอย่างเนี่ยอยู่ในห้าข้อข้างกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยเืียไปเรื่อยนะครับนะครับพี่น้องลองเหลือดูได้นะครับในข้อที่สิบสาข้อที่13บามปรกดเดียวกันนะครับ 1. นึ่งโกลีบที่14นะครับข้อที่13านะครับ เพรฉะนั้นคนที่พูดภาษาแบบแปลงได้นั้นควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยหมายความว่าขอประธานสองอย่างเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้กู้กันใช่ไหมใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อความเข้าใจของทิฏิจักครับถ้าคุณอยาใช้ในทิฏฐิจักนะนะหนึ่งอันนี้พูดถึงบริบทของพระธรรมโพลินก่อนนะครับไม่ได้พูดถึงบริบทของทิฏิจยกวัฒนานะนะหรือหรือทิฏฐิจกักอื่นๆนะครับ เอาบริบทเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะนะครับคนที่พูดในภาษาคนที่พูดที่เมืองโครินคิเดตดียโครินเนี่ยอาจารย์มโนต้องการอะไรครับต้องการให้คนที่พูดเนี่ยต้องอธิษฐานขอให้แป ล, ลได้ด้วยหรือถ้ามีเช่นนั้นเนี่ยเราอ่านไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้ว่าถ้าคุณบอกว่ามาจากผู้วิญญาณบริสุทธิ์นะครับพูดนะครับจะต้องมีอีกคนนึ่งแปล ใช่ไหมครับมันเหมือนี้สอดคล้องกันและเกิดประโยชน์ต่อกิจจกรนะโอเคครับเชิญับพี่มีงการกกงอหรือว่าตัวเองพดและตัวเองแเราจะูไว่าการแปลภาษาเนี่ยถูกหรือผิด เราจะเราจะทราบได้ยงไรว่าอันน okay ouais um um okay, okay, e um> ี้มาจากคนแอเ่าโอเคครับแล้ก็อี่งอยากะใารย์่ยความข้ออื่นครับโอเคครับเอาคาถามแรกก่อนนะครับจะรู้ได้ไงว่าคนพูดกับคนแปลเนี่ยถูกผมอยากจบอกว่ามันมีตัวเลือกอย่างนี้ครับหนึ่งคนพูดจริง คนแปลจริงคนแปลถูกสองคนพูดไม่จริงคนแปลจริงสคนพูดจริงคนแปลไม่จริงสี่คนพูดไม่จริงคนแปลก็ไม่จริงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการจับคู่นะครับนี่หนึ่งสมมุติว่าถ้าคนพูดจริงคนแปลมั่วได้ไหมครับได้สองคนพูดจริงคนแปลจริงได้ไหมครับได้ สามคนพูดมั่วคนแปลดันจริงสี่คนพูดมั่วคนแปล ก, กับมั่วพี่น้องคิดว่าสี่ช้อยเนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวที่ถูก1้อเปอร์เซ็นก็คือคนพูดจริงและคนแปล ก, ก็จริงสามช้อยหลังนี่นะไม่ใช่มาจากประชาวใช่ไหมครับนะ มันโอกาสถูก 25% ถ้าพูดดึงมาโดย possibility นะ 25% ในการพูดแต่ละครั้งในการแปลแต่ละครั้งถูกไหมครับนั้นคูณจะแน่ใจได้ยังไงคตอบพระคมีบอกว่าจงพิสูจน์อะไรครับวิญญาณทุกวิญญาณหมายความว่าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีการใช้ของประานพระวิญญาณบริสุทธิ์ป้องเนี่ยครับจะต้องมีการพิสูจน์ proof every spirit พรต้องภีรใช้คำว่านะ proof every spirit หมายความว่า ถ้ า, าว่าเราบอกว่านี่คืองานของข้อมูลยาบไิญญาบาสุดหรือของพระธานขา้อมูลยานสุดมีคนอ้างหรือมีคนเคลมเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยต้องมีการก ร, รุ๊ถูกไหมครับการกรุ๊นี่พรุ๊กยังไงครับใช้อะไรครับใช้พระกัมพีเป็นตัวกรู๊เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าที่เราที่เราเ อ, อ, อยู่ในข้อที่ไหนนะฮะที่บอกว่ามันมีแอนตี้บบิโคมีนอนบิบ l โคอีกนะครับถ้ามันแอนี้บิโเนี่ยเราฟันธงได้เลยผิด ถ้าเป็นนอมบิเบโคนี่นะครับอย่างเช่นอาจารย์ท่านหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นกับเพื่อนผมเองเมื่อเขามาอยู่อีกโบสถ์หนึ่งนะครับเขากำลังมีแฟนอยู่นะครับเขาบอกว่าสองคนนีให้แต่งงานกันพระเจ้าบอกาอาจารย์บอกว่าสองคนนี้คุณต้องแต่งงานกันแล้วคุณต้องย้ายมาอยู่โบสถ์ผมอันนี้คือการเผยพระชนานเขาไม่ได้พูดใสแ่แบงค์ครับ เขาเผยพระณานาเนี่ยถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่พี่เชื่อไหมถ้าพี่เป็นผู้หญิงเี่ยพี่เชื่อไหมอาจารย์ท่านเนี้ยเขาเป็นคนที่รักพระเจ้านะเขาทํางานเกิดผลนะแล้วเขามีชื่อเสียงแล้วเขามีของประธานอะไรเยอะแยะมากมายตั้งโบสถ์เนี่ยมีคนเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็วันนี้คืนนี้ก็บอกว่าคือมีคื อ, ค, อคือผู้หญิงเนี่ยนะเป็นสมาชิกโบสถ์นี้นะครับและผู้ชายเนี่ย เขาก็เป็นพันธแพทย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ผู้หญิงก็พาผู้ชายนะฮะไปโบสถเดียวกันไปโบสถ์นี้แล้วอาจารย์เขาบอกว่าให้แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่โบสผมรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นพัแพทย์เขาบอกว่าถ้าพระเจ้ า, าบอกอาจารย์พระเจ้ า, าต้องบอกบอกผมด้วยเนะในที่สุดเแล้วเขาก็ไม่ได้ไปบสถแล้วก็ไม่ได้เชือ่อแต่เขาแต่งงานกันเพราะฉะนั้น ไอเ น, นี้ยคือการเเลมการอ้างนะครับต้องระวังเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในาพระมีสอนชัดเจนว่าไม่มีใครเป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เว้นไว้แต่ผู้เดียวคือพระเยซูพี่น้องต้องจับหลักนี้ได้ก่อนครับไม่มีใครเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เว้นไว้แต่ผู้เดียวคือพระเยซู เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิษฐานขอให้หน่อยได้ครับแต่ไม่ใช่เพราะบารมีของอาจารย์พระเจ้าถึงฟังนะครับแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์คนนั้นะเป็นผู้วิเศษที่พระเจ้าจะฟังอาจารย์มากกว่าฟังพี่น้องแต่เป็นไปได้ครับที่ชีวิตของอาจารย์เนี่ยดีโฮรี่นะครับทําอธิษฐานของอาจารย์ได้ถูกต้อง นะครับถูกนามัทย์พระเจ้าพระเจ้าก็ประทานตามนามัทย์ของพระองค์นะครับโดยคําำนี้ถ่ายองออาจารย์ใช่แต่อาจารย์ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอาจารย์ไม่ได้เป็นเมนิเอเตอร์เ <c oughs> พระเาะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยที่พยายามยกอาจารย์เนี่ยขึ้นเป็นเมนิเตอร์นี่ผิดหมดครับ <c oughs> แล้วอาจารย์เองเนี่ยต้องระวังว่าตัวเองเนี่ยจะถูกยกขึ้นมากลายเป็นผู้วิเศษและอยู่ตรงกลางเพระเาะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานะครับจะต้องถ่านชั้นหมดเลยลักษณะเนี่ย มันเป็นลักษณะระบบโครงสร้างเหมือนกับนักบุญของแคทอลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยไม่มีอา จ, จารย์เป็นผู้พิเศษแต่ว่าอาจา ร, รย์อาจจะมีของประทานได้พี่น้อง อ, จจา อ, า อ, าอาจารย์มีของประทานเรื่องการอธิษฐานรักษาโรคได้นะหรือการเป็นของประทานอย่างอื่นๆได้อาจจะมีได้พระเจ้าก็เจรพิเศษตั้งตั้งอาจารย์ท่าแต่และท่านแต่ท่านในลักษณะของของประทานที่เป็นเหมือนกันได้ นะครับแล้วมันก็จะกระจายไปตามขีจักต่างๆหรือบางครั้งเนี่ยข จ, จักใหญ่ๆนะครับก็จะมีคนที่มีของประทานหลายอย่างอยูอย่ในขีจักด้วยเดียวกันก็ได้ถูก ไ, ไหมครับครับมีและคำถามที่สออะไรนะพี่เขาจทีาว่าเครับการครับการศก็คือคนที่ครับครับ คือการเผยโฉนานะครับมันมีสองมิตินะครับทําม่อเผยโฉนเนี่ยอย่างโบสถพัฒนาเราเนี่ยเราใช้คำว่าเผยโฉนานะครับแทงการเทศนาโบสอื่นๆเนี่ยก็ใช้ก็ว่าการเทศนานะครับหรือการเผยโฉนหรือการกล่าวหรือแบ่งปันพระคำของพระเจ้าอะไรต่างเนี่ยอันนี้มันก็จะมีที่มาที่ไปนิดหน่อยผมผมจะพูดในฝั่งดินอย่างของโบสถ์บางโบทครับเขาไม่ให้ผู้หญิงเทศนา แต่เขาจะใช้ควาว่าแ บ, บ่งปันพระวจนะนะครับโบสถ์ที่สตรีกหน่อยนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นศาสนาจารย์ไม่ได้นะนะครับโบสถ์คอนเซอร์เวทีฟแบบเก่าๆ เ, เลยนะผู้หญิงเป็นศาสนาจารย์ไม่ได้นะครับผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปยืนมันทำมากไม่ได้นะนะครับผู้หญิงเนี่ยต้องยืนอยู่ข้างล่างเวลาจะสอนเนี่ยต้องยืนอยู่ขางล่าและเขาไม่ใช้ควาว่าคริชหรือไม่เขาไม่ใช้ควาว่าเซอร์มอนนะเขาใช้ว่าแชร์ ก็คือแบ่งปันพระวจนะหรือ De เวอร์ชได้และสอนเด็กได้และสอนผู้ชายไม่ได้นะครับไม่จะมีบทแบบนี้นะครับที่บอกว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับถึงจะเผยพวจนะได้ถึงจะเทศนาได้อันนี้คือมิติหนึ่งการเผยพระวจนะก็คือการอธิบายข้อทีนะครับแต่ว่าเผยพรวจนะอีกมิตินึงก็คือการการพูดบางสิ่งอย่างซึ่งเป็นดิมิตที่พระเจ้าให้กับเขาเป็นคำพิยัต นะครับคำพยากรค์คำพยากรว่าคุณจะต้องแต่งงานกับคนนี้อันนี้ผมแบบพูดแบบโจกชันหรือคำพยากรว่าคื อ, อต่อไปเนี่ยนะบทเรานี่นะจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะบอกว่าเออครอบครัวเนี่ยนะครับพระเจ้าให้ให้ข้าพระเจ้าเนี่ยเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่งี้นะครับอันนั้นก็คื อ, ขอเขาเผยออกมาเป็นเหมือนกับเป็นพรอเฟส ใช้กับว่าเป็นของประานเรื่องการเผยพจะนะก็คือการการอธิบายข้อมูลหรือพูดล่วงหน้าภาษาอังนฤษเรียว่า foretelling foretell นะครับก็คือการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าอันนี้คือเป็นคํารี้ว่าเป็นนิยามนะครับในเรื่องของการเผยพจะนะอันนี้มีเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับเพราะฉะนั้ น, เ, นเราสามารถสอง ใช้ได้แล้วแต่ความหมายของเราอย่างเช่นถ้าคุณว่าอาจารย์เทศนาในโบสถ์นะครว่าเผยพุทธะได้ก็คือการอธิบายพระคัมภีร์นะครับการอธิบายพระคัมภีร์สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเขาเป็นคนเปิดเผยภาษาคิดว่า expose expose Ex ออกมานะครับถูก ป, ปิดอยู่นะครับแล้วก็เอาไอที่ปิดเนะี่ยออกมา expose ให้กับพี่น้องในฝัง่งอันนั้นคือการเผยพุทธะอย่างหนึ่งกันนะครับคนอื่นไม่เห็นแต่เขาเห็นอย่างนี้เป็นต้น ในคพีภาษาอังกฤษการเผิวนะโปรเฟ e โปรเ t ตโปรแบบแบบแบบในในหนโิมธ์ที่นะโปรเฟ t เลยก็คือว่าพูดสิ่งที่ยังไม่เกิดอย่างนั้นเลยนะครับโอเคครับมีคาถามไหมครับครับ มถึงว่าเด็กๆเอเ้งรับเชื้อพะจ้าใไหม่เด็กมรเรเก็จะทิิเพราะว่าปีนี้รับเชือคนอีกนนเวปดระกาศแครับนเอแต่ว่าถ้าอยาเรียกว่าเรับกคือเด็กที่เขามีความเข้าใจ ตามขนาดของความเชื่อของเขาขนาดของความเข้าใจของเขาได้ก็เ mm ป็น hmm. ลักษณะคล้ายๆกับการประกาศความเชื่อของคนที่รับปฏิสมาิเด็กนะครับหมายความว่าอย่างนี้ว่าพ่อแม่เนี่ยประกาศแทนว่าต่อไปนี้เนี่ยนะฉันขอมอบเด็กคนนี้เนี่ยให้อยู่ในการทงนำของพระเจ้า ในานางก้นเนี่ยถ้าเขามีโอกาส ร, รับเชื่อพระเจ้าด้วยตัวเองนะครับข้าพระเจ้าสมงคนซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะจะพยายามดูแลเขาเลี้ยงดูเขาให้เติบโตขึ้นมาในทางของพระเจ้าเพื่อที่มีวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้อนรับด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไข่ของอย่า ง, อ ย, างอย่างเช่นเด็กสองสามขวบเนี่ยรับเชื่อพระเจ้าได้ไหมในโรงเรียนอนุบาลนะครับนะครับเราก็พูดเรื่องพระเยซูให้ฟังนะเชื่อพระเจ้าไหมลูกเชื่อเชื่อเชื่อ ใช่ไหมครับนะก็เหมือนกันครับโรงเรียนคริสเตียนโรงเรียนนุบานคริสเตียนเนี่ยนะครับตั้งแต่นุบานเรื่อยไปเราก็บอกเชื่อพระเจ้านะอนธิษฐานนะอันเนี้ยอย่างนั้นนะถามว่าแล้วเรามั่นใจได้ไงเราไม่เรามั่นใจไม่ได้หรอกครับเหรอไหมเราก็พยายามทําทุกระดับอายุทุกระดับเชี่ยวชาญการติดตามผมเป็นไปได้บ้างน้อยขนาดไหนเนี่ยตามลิมิตหรือความจํากัดของเราที่เราจะติดตามเขาไป แต่ทีนี้เราจะบอกว่าคนเนี้ยเมื่อรับเชื่อพระเจ้าตอนเด็กสามขวบห้าขวบแล้วแน่คนเนี้ยเขาจะลอดไปจนถึงโตเลยเนี่ยบอกไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับที่เราบอกไม่ได้ว่าเด็กที่รับบัพติศมาเด็กเนะี่ยหรือเด็กที่เราถวายพระเจ้าตอนลูกตอนตอนเด็กที่เป็นคารโร่กินเนี่ยเราถวายพระเจ้านะโบสบทถ์เพสเบติเรียนนะมีการบัพติศมาเด็กใช่ไหมโบสแบปเที่ ya, ไม่มีการบัพติศมาเด็กแต่มีพิธีถวายลูกแทนนะครับซึ่ง รากของความเชื่อเนี่ยพื้นฐานความเชื่อคู่เดียวกันนะจะจุ่มน้ําจะมีน้ําเยอะน้ําน้อยนะเหมือนกันก็คือการประกาศการโปรแกรมเมชั่นโปรแกรมก็คือประกาศประกาศว่าต่อไปนี้นะผมกับภรรยาพ่อกับแม่จะดูแลเด็กคนนี้เหมือนกันนะครับพิธีบับชีมันเด็กก็เหมือนกันก็คือการประกาศว่าผมกับภรรยาผมจะต้องดูแลลูกผมให้ดีจนทงถึงวันที่เขาประกาศตัวประกาศตัว สำหรับคริสเนี่ยก็คือการบวชดิฉามาด้วยน้ําเลยอันนั้นนะครับอันนั้นก็คือเราแน่ใจว่าเมื่อเขาเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับความคิดของเขาเนี่ยสามารถเป็นคอนกรีตคอนกรีตก็คือคอนสตรักชั่นนะคือสามารถคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ต้อนรับพระเยซูได้รู้ว่าเขาเป็นคนบาปและเขาต้องการให้พระเยโทษอยเงี้ยเมื่อเขาคิดตรงนี้ได้ปุกบเนี่ยเขารอดแต่ถ้ายังคิดไม่ได้นะครับเขายัง เราไปดูแล้อันนั้นอยู่ที่อยู่ที่พระเจา้านะครับมีใครมีคําถามไหมครับโอเคไม่มีนะครับผมไปหน้าที่สองในพรากราฟแรกนะครับถ้าใครอยากจะไปเข้าห้องน้ำนะทำด้วยส่วนตัวเชิญเลยนะครับถ้าไม่มีบอกต่อเลยนะครับพระกราฟแรกได้พูดถึงเรื่องความสําคัญของการเรียนเรื่องนี้นะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูเนี่ยนะครับได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นะครับเป็นเป็นเป็นอีกอีกบุคคลหนึ่งที่พระองค์เนี่ยจะส่งมาเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้สถิตอยู่ในเราคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยภาษากรีกเนี่ยใช้คว่า p para p าราที่แปลว่ารอบรอบนะ chaos ก็คือผู้ที่อยู่รอบรอบเรา นะครับแล้วไม่เคยทากทิ้งเราไปไหนเลยเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาเลยนะครับเราสามารถพูดคุยกับพระวิญ ญ, ญาณได้โดยใช้เสียงอย่างเนี้ยพูดง่ายว่าเหมือนกับเราขึ้นขับรถเนี่ยเรากําลังจะขับรถเราสตาร์เครื่องเนี่ยนะครับเราก้มหน้าลงในฐานเนี่ยหรือเราแไม่ต้องก้มหน้าินฐานเปิดตาในฐานได้ขอพระเจ้าช่วยเราเรากำลังคุยกับใครอยู่คุยกับพระเจ้าอยู่นะครับในด้านไหนในด้านของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา เห็นไหมครับตรงจุดเนี้เป็นจุดที่ทําให้เราไปกับพระตลอดพระอยู่กับเราตลอดนะครับในแง่ของไงนี้ของพุทธิานบริสุทธิ์เราก็ต้องค้อยแมง เ, เขนก็ได้นะครับแต่พระวิญญาณอยู่กับเราครับถูกไหมครับนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เตือนใจเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้นะเราไม่เข้าใจจริงๆไม่มีประสบการณ์จริง ทำให้เลยครับมันเกิดผลก็คือว่าพระเยซูไม่ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเท่าที่ควรเรื่องความสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้งเพีสอนชัดเจนนะครับบรทัดที่4บอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งขวัญวิญญาณบริสุทธ์นะครับยุคแห่งขวัญวิญญาสุทและเป็นวาระแห่งเพนเทคสเตหรือว่าเป็นวาระแห่งเพนเทคอสแต่ที่จกักรชวนมากในอดีตนะครับปรสวาชญ์พี่จักไม่สนใจไม่เอาใจใส่ มีหลักข้อเชื่อที่เน้นเฉพาะสองบุคคลสองบุคคลใครบ้างมีพระบิดาพระบุตรนะแต่ไม่ได้เน้นเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเท่าที่ปวดเพราะฉะนั้นเป็นความผิดพลาดในขณะที่เราเรียนเรื่องเตรีการรุปภาพนะครับถูกไหมครับพระบุตรพระบิดพระบุตรพระเยซูนะครับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เราก็เหมือนกับว่าเราไม่เน้นพ้ะวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่ามีบวามคิดว่ามันเป็นเรื่องลับมันเป็นเรื่องที่มันเข้าใจยาก แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับน่ากลัวนะครับเพราะว่าอะไรนะเฮ้ยมันมีมันมีปรากฏการณ์แบบนี้มันมีป ร, กรากฏการณ์แบบนี้มันมันมันสับสนอ่ะมันน่ากลัวทําให้บางบางโบนี่ไม่เอาเลยนะครับเมื่อไม่เอาพวกเนี่ยก็ทําให้ขาดพระพรที่จะมาจากวกิญญานนะครับเอาละครับประการที่สองครับ พระคำพีไม่ได้ปัญญาเรื่องปัญญาสุว่าอย่างเป็นระบบนะเมื่อกี้ตอนแรกๆของครูแล้วดังนั้นหลักคำสอนเกี่ยวกับบุคคลที่สามเทียบับลพราหมจริงๆนามาซึ่งความขัดแย้งเรื่อยมาแต่เนื่องจากปัญญาสุทธจงมีความสําคัญและตรงสามารถช่วยให้ผู้เชื่อติดต่อกับพระเจ้าได้นี่เรื่องสําคัญนะครับถ้าไม่มีปัญญาพวกนี้เราจะเข้าใจพระพีไม่ได้นะเพราะพระพีเนี่ยไปกับปัญญานะนะปัญญาไปกับพระพีนะฮะ นะถ้าพระวิญญาณตรัเนี่ยนะครับต้องตรัสอะไรครับตรัดผ่านพระกัมพีตรัสสอดคล้องกับพระกัมพีตรัสขัดแย้งกับพระกัมพีไม่ได้เห็นไหครับความสําคัญของพระพีเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา ง, ง, งูปลาเรื่องพระกัมพีนะนะครับมันไม่มีทางที่วิญญาณวิสุดเนี่ยจะเกิดผลและเราจะได้ยินเสียงพระวิญญาณได้เนาะอันอนี้สําคัญ คือพูดยังไงว่าเราบอกว่านี่เราสวยหาพระวิญญาณเลยโดยที่ไม่มีพรังพีงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแบบพังพีเนี่ยเป็นรางรถไฟรางหนึ่งผู้วิญญาณบริสุทเป็นรางรถไฟรางหนึ่งรางรถไฟเนี่ยมันต้องมีสองสองอะไรครับสองรางใช่ไหมครับมันถึงจะไปได้รถไฟถึงจะเคลื่อนได้เช่นเดียวกันชีวิตของเราก็ต้องมีพระัมผีและมีพู้วิญญาณบริสุทธิ์ สองรางนี้นะครับที่ก็เปรียบเทียบกันนะครับここก็คือมันจะทําให้ชีวิตของเราเลื่ขึ้นไปได้แต่ถ้าเรามีเพียงเพียงอย่างเดียวไม่มีวิญญาณสุดนี่ไม่เข้าใจอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจอ่านมาแล้วมันก็ไม่เข้าไปอยู่ในชีวิตของเราถูกไหมครับเพราะวิญญาณสุดทําให้เราเข้าใจทุกอย่างในพระธรรหนึ่งย่อนพูดชัดเจนเพราะวิญญาณไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะเป็นผู้ที่สอนท่านเองในพระธรรมหนึ่งย่อน ไม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ต้องมาเรียนก็ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วพิ่มยากถึงก็เปิดเผยสําแตงอันนี้ก็คือเป็นเอ็กซ์ตรีมิสก็คือก็คือตกขอไปเรื่หนึ่งคุณไม่ต้องเรียนคุณไม่รู้คุณอยู่ดีคุก็อ่านอ่านอ่านคุณว่าพิ่มยากมาฉุดดนใจผมละแต่ปรากฏว่ามันผิดหลักเพิ่มพีอ่ะผิดการตีความเพิ่มพีแล้วมันก็ผิดเพิ่มพีตอนอื่นอันนั้นเนี่ยุนเฉมครับ เพราะฉะนั้นผู้ศรีเนี่ยจะต้องวางรากฐานของชีวิตตัวเองเนี่ยอยู่บนพระธรรของพระเจ้าก่อนเรียนท่องพิธีก่อนนะครับเมื่อเรียนไปปุ๊บเนี่ยขวัญญาเขาจะใช้พ่ อ, อพิธีตรงนั้นครับมาสร้างประสบการณให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและจากตรงนั้นเองเนี่ยถ้าคุณไม่มีมพื้นฐานท่องพิธีเนี่ยคุณจะไม่มีทางเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่รับเชื่อพระเจ้าแล้วผมยืนยันนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องเชื่อพระเจ้ามานานแล้วเนี่ยแล้วพี่น้องไม่เคยเรียนพิธีเนี่ย ผมสนับสนุนใจพี่น้องมาเรียนละวีนะนะครับเรียนพุทธมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนตอนเช้าเก้าโมงนะที่โบสเรานะหรือตอนเที่ยงนะเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงนะอาจารย์พอสอนพุทธมีอยู่นะครับเข้ามาเรียนนะครับนะครับเรียนนะครับยังไงก็ดีกว่านั่งคุยกันยังไงก็ดีกว่าทําอย่างอื่นมาเรียนพุทธมีเนี่ยนะครับจัดพวารีติของคุณให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับย่อหน้าที่สองนะครับบัรทัที่สองบอกว่า มันจึงนํามาซึ่งความขัดแยงเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เรียนพระองค์พี่เรื่องหลักคําสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนและพระวิญญาณสุเนี่ยทําให้เราติดต่อพระเจ้าได้แต่เราเข้าใจพระองค์ไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับและไม่เข้าใจพระราชกิจของพระองค์ที่ทําอยู่ในกิจักรของพระองค์ผมถามนิดนึงเวลาคนที่เชื่อพระเยซูเนี่ยกว่าที่เขาจะต้อนรับพระเยซูเนี่ยสงคันฝ่ายวิ ญ, ญญาณเกิดไหมครับเกิดครับ มันเป็นสงครามระหว่างอะไรครับระหว่างความดีความชั่วยังไครับระหว่างนรกสวรรค์ระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์กับใครกับมารซาตานกว่าที่คนหนึ่งจะบังเกิดใหม่ได้นะสงครามใหญ่เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วสงครามนั้นน่ะตัดสินกันด้วยแพ้ชนะนะครับไม่ใช่แพ้แพ้แพ้บางชนะบางไม่ใช่นะครับก็คือถ้าคนจะขึ้นสวรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ชนะ เข้าถึงบังเกิดใหม่ได้หรือไม่ครับเนี่ยไม่ใช่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วคนจะได้ขึ้นสวรรค์นะไม่ใช่นะถูกไหมครับพี่นึกเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะว่าบรรยากาศเนี่ยฉากสถานการณ์เนี่ยต้องคือสงอชงคฝ่ายวิญญาณต้องชนะคุณถึงจะดึงคนขึ้นสวรรค์ได้ทีนี้เวลาคนขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าเขาได้รับชีวิตอีจันแล้วเนี่ยเขาบังเกิดใหม่แล้วเขาได้รับความรอดแล้ว เข้าถึงนับว่าเป็นบุตรแล้วเข้าถึงนับว่าเป็นคนชอบทำแล้วนะอุย้ยอะไรแต่จากตามมาเป็นข้าเกศเป็นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะตรงนั้นนะ่ะเกิดจากตอนที่เขาบังเกิดหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนในการขึ้นสวรรค์เนะี่ยเพราะอะไรครับพ่อเดิมเนี่ยคุณเป็นท่าของปากนะคุณเป็นท่าของมารซาตานนะคุณไม่มีทางที่จะช่วยตัวเองได้นะแต่เวลาเนี่ยพระวิญญาณตื่นคุณออกมานะโดยคุณตอบสนอง ต่อการทรงเรียกและการทรงเลือกของพระเจ้าก็คือตอบสนองว่าข้าพเจ้าต้องการรับเชื่อพระเจ้าข้าพเจ้ายอมรับหนึ่งรั้มสี่ที่ผมพูดไปแล้วนะข้าพเจ้ายอมรับตรงนั้นแล้วนั่นคือหน้าที่ของเราหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เทคแครหมดเลยครับถูกไหมครับพวิญญาณสุดเทคแครหมดเลยนั่นคืองานของพระวิญญาณสุดที่เรียกว่า work the work of the holy spirit แปลง่ายๆว่ากิจของพระวิญญาณ ไปให้เฉยๆก็คือภาะราชกิจเขาไม่ยังนบริสุทธิ์ใช่ไหมครับอันนี้คือเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยอนานาเนค่าบอกว่าหลักฐานท้งหินเราสามารถรู้หรือค้นพบว่าผู้ยันเป็นพระเจ้านะครับและบุคคลภาพคเพือ personality ของโลวงมีนะครับและจากการศึกษาในพระเจ้านังพระเจ้านั้นเรามีข้อสรุปหลายอย่างเราสามารถสร้างเป็นระบบความรู้นะครับขึ้นมาได้ เห็นไหมครับนัเพราะฉะนั dade, ujemy, ้นเนี่ยให้เราเข้าใจเรื <c oughs> <okay> bueno? ่องนี้ว่ามันเป็นระบบความรู้แล้วนะนะครัไม่ใช่สเปชปะจับนู่นมาปะนี่จับเนี่ปาด้วยนะครับเราเรียนไปเลยว่าพระญญาริสุทธิ์ในพุทธีเดิมเป็นยังไงพระวญญาณริสุทธในพุทธีใหม่เป็นยังไงนะครับเห็นครับย่อหน้าที่สี่ต่อมาที่ียกว่ามีเหตุผลมากมายนะครับอันนี้ผมจะขอข้ามไปเลยนะครับเหตุผลที่สองครับ ที่เราต้องเรียนเรื่องพระวิญญาณบริสก็คือว่าเรามีชีวิตอยู่ในยุคที่พระราชกิจ ข, ของพรงนะองค์ของพระวิญญาณมีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่นเรียก ว, ว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเด่นกว่าพระราชกิจของพระบิดาและพระบุตรในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระบิดาไม่เด่นแล้วระพระบุตรไม่เด่นไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เน้นเรื่องงานของพระวิญาณสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในพิธีกร ยกอย่างเช่นตั้งแต่คนจะมาเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าใครเป็นผู้นำงานพู้ยังมีชีวิตทงานคนบังเกิดใหม่ใครทํางานผู้ยังมีชีวงานคนจะเติบโตขวายวิญญาณใครทํางานผู้ยังมีชีวิตทำงานนะครับคนจะปฏิเสธความชั่วนะครับมีชีวิตที่บริสุทธิ์ใครทํางานเพรยังมีญีวิตทำงานคนจะมีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าใครทํางาน ใครเล่าใจพุทธญาติสุดเล่าใจเห็นไหมครับใครที่เป็นคนประทับตาประทับตาว่าคนเนี้ไปสวรรค์นแน่ใครครับพุทธญาติสุดทำงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นงานของพุทธญาตทั้งสิ้นเลยนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าอืมพระทธญาติสุดก็เป็นเรื่องไกลตัว เรามาโบสถ์เนี่ยก็มาอธิษฐานมามาอนบางทีเรามาเรียนพระวจนะของพระเจ้าแต่ก็ยังไม่สุดเราไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเลยนะครับพอเราไปถึงโบดอีกโบสหนึ่งเาบอกว่าคุณเคยรับวิญญาณหรือเปล่างงเอ๊ะรับวิญญาณเป็นยังไงเขาก็เลยบอกอ๋อรับวิญญาณก็ต้องมีอาการของวิญญาณ manifestationmanifestation คือมีอาการอย่างเช่น ต้องมีหนึ่งต้องตึ๊งตึ๊คุณมีเปล่าไม่เชไม่เคยเลยบดวัฒนาไม่เคยสอนถูกไหมครับจะไม่เคยมีปสการแบบนี้เฮ้ยต้องมีด้วยหรอมีนี่ับมีมเห็นไหมครับแล้วไปผลว่าไงสมาชิกเราอ่ะเมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมครับเมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้อไปถึงเนีเฮ้ยบทวัฒนาเป็นไงครับไม่ไม่เป็นฟูโ g l เออ พี่น้องรู้จักคาว่า full gospel ไหมครับ full gospel แปลว่า gospel แปลว่าพระติฏกุลใช่ไหมครับ full นี่ก็คือว่าอะไรครับไม่เต็มคือมันพร่องๆ อ, อยู่เพราะฉะนั้นจึงมีพี่น้องให้กายไปดี่คอสเนี่ยเขาใคำว่า full gospel church ก็คือว่าเขาเชื่อว่ามีอย่างสุดเต็มที่เลยตามขั้งที่แล้วโบสถ์สภาบ้าโบสถ์อะไรที่แบบไม่ได้มีการสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะครับและสมารถไม่เข้าใจก็เลยแบบมันไม่ฟูอครับไม่ฟูและเมื่อเมื่อไม่ฟูเนี่ยก็ไม่ฟิลฟิลไปว่าอะไรครับฟีลไปว่าเติมเต็มด้วยวิญญาณบริสุทธิ์นะก็คือไม่มีอาการแสดงออกมาเรื่องการเติมเต็มนะครับไม่มีผลเพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เน้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยโบสถ์บางโบสถ์เมื่อไม่เน้นเรื่องนี้ความบริสุทธิ์ไม่เกิดครับเพราะชื่อของวิญญาณบริสุทธิ์คือพระองค์เป็นแสง นะครับเป็นผู้ Sanctify เ a นติฟาแปลว่าชำระให้บริสุทธิ์นะครับเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เน้นเรื่องวิญญาณบริสุทธิ์โบสก็ไม่ Sanctify ก็โบสก็ไม่บริสุทธิ์โบทไม่บริสุทธิ์ก็มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องชู้สาวเรื่องความบาปต่างๆนะครับเรื่องความผิดจริยธทรหลายอย่าง นะครับเรื่องเงินเรื่อ ง, องทองเรื่องอะไรอย่างนี้มากมายเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไม่เน้นพนนระมรรยาภัยสูตรชีวิตของคุณก็เลยไม่บริสุทธิ์กิดจิตใจก็ไม่บริสุทธิ์ถูกไหมครับอันนี้คือเหตุผลที่สองครับเหตุผลมนการที่สาครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับเขาเน้นเรื่องประสบการณ์ที่สัมผัสได้เรืร่อลิสติกนะฮะก็คืออะไรครับก็คือบอกว่าถ้าเกิดมีจริงนะผมต้องสัมผัสได้ ครับถ้าพระเจ้ามีจริงผมก็ต้องสัมผัสได้พระวาณบริสุทธิ์เปจริงผมก็ต้องสัมผัสได้ผมจะสัมผัสพระิญญาณบรสุทธได้ย่งไรครับนะครับหน้าที่สอนครับหน้าต่อไปนะครับเราจะสัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิได้โดยฐ่านพระราชกิจของพระองค์และพระรกิจนั้นนชีวิตของเซียนได้รับการสัมผัสที่แตกต้องได้เป็นพิเศษนะครับผมอยากจะบอกให้นะครับว่าพระรชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระวาณบรสุทธนั่นก็คือการทำร้ายบริสุทธิ์ ถ้าหากว่าชีวิตของเรานะเชื่อพระเจ้ามาปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่านะชีวิตของเราเนี่ยย่ำอยู่ที่เดิมในแง่ของความบรินะสุทธิ์นะแสดงว่าเรามีปัญหา ก, กับวอย่างบริสุทธิ์แล้วครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ทั้งความคิดคําพูดกัรกระทำชีวิตหลางๆเนี่ยเราไม่ได้คิดดีมากขึ้นนะเราไม่ได้พูดดีมากขึ้นนะเราไม่ได้ทําดีมากขึ้นนะแสดงว่าอะไรครับผลของวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เกิดในชีวิตของเรา ผลเนี่ยมันแกนมันไม่โตเมื่อมันแก น, นไม่โตถามว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำธุรกิจในชีวิตของเราหรือเปล่าคําตอบคือโพงอยากจะทํานะครับแต่เราไม่เปิดโอกาสให้โพงทําแล้วบุญจะบอกว่าผมจะมีอยากมันมีประสบการณ์กัพบพระวิ ญ, ญญาณอาพอย่างนี้แต่ใจเราไม่เปิดใช่ไหมครับใจเราไม่พร้อมที่จะรับการชาระให้บริสุทธิ์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์เรื่องพระวิ ญ, ญญาณเลยพี่น้องครับผมถามนิดนึงนะครับ เวลาที่พระวิญญาณเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยเราทำบาปได้ไหมผมผมผมยกทีวอย่างง่ายๆครับพี่น้องครับตอนนี้พระวิญญาณบรสอยู่ทาา่านอเปล่าอยู่ทุกวันหรือเปล่าออกไปไหมครับไม่ออกแล้วเราเองทำบาปได้ไหมเ พ, พิ่มพีหนึ่งย้อนพูดชัดเจนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ทำบาปครับ ไอ้ภาวะที่ทําบาปเนี่ยคือภาวะผิดปกติของชีวิตคริสเตียนแสดงว่าเราฝืนนะครับที่จะไม่เชื่อฟังข้อบัญญัติประเสริฐหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะครับว่าสิ่งเนี้ทําไม่ได้แล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ตัวครับก็ต้องอ่านรพระคัมภีร์ครับต้องมาเรียนแล้วเห็นต้องมาเรียนรพระคัมภีร์ถึงรู้ว่าอันเนี้ยมันทําไม่ได้นะเห็นไหมครับเนะี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับ เพราะนั้นถ้าเราเชื่อพระเจ้ามาหลายปีนะครับและเราไม่รู้เรื่องพ้เมียบริสุทธิ์ชีวิตของเราไม่บริสุทธิ์นะครับถือว่านะรครับเราจมีประสบการณ์กับพ้เมียบริสุทธิ์ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้รับการแช่งชื่ฝายคับไม่ได้การสัมผัสไม่ได้กรรมชำระจากพลเมียบริสุทธิ์นะครับแต่ถามว่าเป็นเรื่องยากไมหมเรียนเรื่องเรื่องพ้เมียบริสุทธิ์ยากครับนะีเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นนะครับ แต่เราอย่าลืมครับว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ถาวรใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวร น, นิรันดินิพังมีพูดอย่างนี้ครับสิ่งที่ไม่เห็นนะครับถาวร น, นิรันดี้ครัสิ่งที่มองเห็นมันไม่ถาวรใชครับนะเอาละครับในช่วงครึ่งหลังนะครับหนึ่งสองสามย้อนหน้าที่สี่นะครับในช่วงครึ่งหลังของชาติที่ยี่สิบมีข้อขัดแยง้งเกี่ยวเรื่องพงยาสุด คนก็คือเกิดความลังเลใจที่จะพูดถึงเรื่องก็วิญ ญ, ญาณเพราะว่าเกรงว่าการอธิบายจะนําไปสู่ความแตกแยกนะครับเมื่อกลุ่มเพนากอสเน้นเรื่องก็วิญ ญ, ญาณเป็นสุดอย่างมากกลุ่มที่ไม่ได้เพนากอสจึงหนเรี่ยงที่พูดเรื่องก็วิญ ญ, ญาณครับพี่น้องกลัวไปทําเรื่องก็วิญ ญ, ญาณบางคนกลัวก็ไม่อยากพูดเพราะพูดไปแล้วเนี่ยเกิดความแตกแยกก็เลยไม่พูดนะครับนะก็เลยไม่สอนแต่ถามว่า เมื่อเมื่อมวานเนี่ยมีพี่น้องคนนึงก็ถามว่าอาจารย์กล้าพูดเหรอก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่งพีพูดตามเพิ่งพีผมไม่ได้พูดตามความคิดเห็นผมผมเพียงแค่ว่าคนนั้นก็พูดยังไงคนนี้พูดยังไงกลุ่มนี้พูดยังไงกลุ่มนี้พูดยังไงผมก็พูดให้ฟังแล้วพ่อพี่พูดยังไงพี่น้องก็ตามเพิ่งพีครับนะเราก็ไม่กลัวว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแม้ทําไมอาจารย์พูดไปพูดมาเดี๋ยวพูดเข้าทางเขาเดี๋ยวพูดเข้าทางเรา ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าอริงๆไม่ได้พูดเข้าข้างใครเลยครับเพียงแต่ว่าผมเสนอว่ากลุ่มนี้คิดอย่างนี้กลุ่มนี้คิดอย่างนี้แต่ข้างผีพู้อย่างนี้ถามว่าทําไมกลุ่มนี้พูดคิดอย่างนี้ก็เขาก็อ้างข้างผีก้อนี้กลุ่มนี้พูดอย่นี้ก็อ้างข้างผีก้อนี้ถามว่าแล้วเราล่ะเราก็ต้องดูข้างผีและเราก็ติดตามการส่งนําของขุนญาณบุญชุบเพราะว่าขุนญาเป็นทําให้เรารู้อย่างแต่ปัญหาขึ้นว่าเราไม่รู้อย่างนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะข้อมูลเรามีจํากัด เพราะนั่นเนี่ยผมเป็นคนหาข้อมูลที่มีน้องนะครับว่าโลกเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องมิจฉาทิฏฐิมีกี่แนวนะครับนะตั้งนี้เราไปเนี่ยบอกว่าข้ายนี้แค่นี้ค่ายนี้แค่นี้เอ็กซิมิสันของข่ายพูดงี้พูด ง, ดงี้พูดงี้นะครับแล้วโต้แย้งกันมาเนี่ยร้อยกว่าปีจนวันนี้เนี่ยก็ยังหาบทสรุปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการจันเกิดไหมคําตอบก็คือว่าการจันยังเกิดอยู่ถูกไหมครับ และการศัศจรรยเนี่ยอย่างเช่นการหายโรคเนี่ยอย่างอัศจรรย์เนี่เกิดไหมนะครับการหายโรคอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยผมต้องผ่านการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยซึ่งโอกาส ร, รอดเนี่ยต่ํานะครับแต่ในสายตาของหมอบอกว่าคุณโชคดีแต่ในสายตางผมเนี่ยอกว่าพระเจ้ารักษาพระเจ้าคุ้มครองนะครับ แต่ว่าในสายตาของคนธรรมาดาทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อว่าเนี่ยพระเจ้ารักษาผมหรือเปล่าแต่ผมบอกกับผมว่าผมจะ subjective นะครับบอกพระเจ้ารักษาผมไงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าพเจ้ารักษาคุณนั้นหมอไม่ต้องรักษาคุณหรอกคุณก็หายอ้าวอย่างนั้นก็คุยต่อไปได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะคุณตัง้สงสมมติฐานคุณว่าถ้าพระเจ้ารักษาหมอไม่ตรักษาก็ได้แต่ผมอยากจะถามกลับว่าถ้าพระเจ้ารักษาผ่านหมอได้ไหมได้เห็นไหมครับ เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ตรูปไหนครับเราบอกว่าถ้าพระเจ้ารักษาเนะี่ยยังไงตหายร้อร์ซนะครับอีกค่ายนะึงบอกว่าถ้าพระจะรักษาเนะี่ยหายได้บ้างไม่หายก็ได้แล้วแต่พระคุณาของพระเจ้าว่าคงจะเมตตาใครไม่เมตตาใครแล้ฝ่ายนะึงบอกว่าถ้าคุณจะหายต้องมีความเชื่อถ้าคุณไม่หายแสดงว่าความเชื่อคุณไม่พอขั้มทีอีกค่ายหนึ่งก็บอกอะไรเขบอกว่า บางคนเนี่ยนะครับเขา ม, มีความเชื่อเนี่ยเขายัางหายเลยเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อของพ่อแม่ท่าของในร้อยใช่ไหมครับท่านในร้อยพ่อพีเน่ยนะครับเขาไปหาใช่ไหมแต่ท่านของในร้อยในร้อยมีความเชื่อท่านเข้าหายไม่เราไม่รู้ว่าท่านมีความเชื่อหรือเปล่านะท่านลุกมาหาพระเยซูไม่ได้แต่ในร้อยเนี่ยนายของเขาเนี่ยไปหาพระเยซูแล้วครับ <c ười> ใครหายนะครับ เห็นมครับเมื่อการรักษาเนี่ยหรือการกระทำการแัดงของพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดการหรือคาดตัเองหรือวางแพทเทิร์นกันได้เพราะถ้าระวังแพทเทิร์นได้ทุกเนี่ยเราเรียกการอัศจรรย์นะครับมันต้องเป็นครับต้องเป็นซูเปอร์เนเชอร์โร่ซเปอร์เนเชอรคือการอะไ ร, รการเหนือธรรมชาติเนเชอร์โคืออะไรเนเชอโร่ Natural ก็คือว่าสิ่งที่เราเข้าใจได้ว่าอันนีม้มันเป็นเนเชอโร่ ยกอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนขลอดลูกคนขลอดลูกเนี่ยนะครับถ้าว่าเป็นท่าเล ท, าท่าต้นเนี่ยโอกาสแพ้ตายเยอะนะฮะสมัยก่อนนะครับนะบถ้าหมอบานหนองํำแยะหมอบ้านนอกคำเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่าก้นเนี่ยสบายมากคืออะไรครับผ่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคลอดท่ากลนเนี่ยถือว่ามิราเคิลใช่ไหมซูเปอร์เนชัลคือรอดไม่ได้โช่ดีจริง นะครับแต่ในสมัยเทคโนโลยีเนี่ยโอ้สบายมากเลยเพราะฉะนั้นการคอดทากลในสมัยนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นซูเปอร์เนเชอรเลยใช่ไหมครับลักษณะดเดียวกันนะครับการที่เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยที่เราไม่เป็นมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นเนเชอร l หรือซูเปอร์เนเชอร์โรทวนี้พี่น้องนั่งอยู่เนี้ยไม่เป็นมะเร็งเพราะอะไรนะพราะซูเปอร์เนเชอรหรือเนเชอร l n a เนเชอร์โรไน พวกเราเริ่อมอธิบายได้ว่าเออเนี่ยเราต้อง booster ะอะไรอ่ะ immunology นโนโของเรานะ immune system ของเรานะเรา booster มันนะต้องกินอาหารดีๆแต่สมัยก่อนเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วก็นึกว่าเออเราไปทมอะไรเนี่ยเป็น super natural เรื่องเดี๋ยวนี้บอกว่าอะไรครับเป็น natural การไม่กินเลือดแล้วมีผลดีต่อสุขภาพเป็น super natural หรือ natural ถ้าสมัยพมพีเดิมไม่กินเลือดเป็นคนที่สุขภาพเป็นซูเปอร์เนเชอรเพราะอะไรเขาเชื่อฟังกฎบัญญัติของโมงเสสที่พระเจ้าทรงนำแต่ในสมัยนี้ไม่เป็นซูเปอร์เนเชอรแล้วเป็นแซนติฟิคนะครับเพราะอะไรครับเขาอธิบายได้ว่าเวลาเลือดนี่นะสัตว์ที่ถูกลักคอตายนะมันจะมีอะไ ร, รัสารเอนโดฟินเอพิเนฟินอะไรพวกนี้ที่อยู่ในเลือดใช่ไหครับทำให้อะไรครับทาให้เราเนี่ยได้รับสารพิษจากสิ่ ง, งเหล่านี้ อนนี้มันอธิบายได้พอเริ่ม อ, อธิบายได้พวกเนี่ยมันลดระดับความเป็นซูเปอร์เนเชอร์มากลายเป็นเนเชอร์เห็นไหมครับนะแบบเดียวกันอธิบายแบบเดียวกันครับถ้ามีวันหนึ่งนะครับเราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้นะเราก็จะบ่กเฮ้ยนี่เกิดเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดามันเป็นแบบเนี้แต่วันนี้เราไม่เข้าใจข้ามพีนะครับผมอยากสุดนะครับพ้ามพีเนี่ยจึงพูดในหนึ่งโครินธ์บทที่13นะพี่น้องเปิดนะครับ หโคลินที่สบสาข้อที่สิบสอหนึ่งโคลินบทที่สิบาข้อที่12ข้อ12นะครับใช้หนังพร้อมกันนะครับ<ส>เพราะว่าบัทนี้เราเห็นสลัวฉลวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า ตรงนี้พูดสอ ง, สองแบบนะครับปผมมาเหมือนกับเราส่องกระจกดูสมัยก่อนนะครับกระจกเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระจกแบบเงาเงาแบบเรานี่เห็นเห็นทุกอย่างเลยนะฮะมันเป็นเหมือนกับทองเหลืองนะครับนะสมัยโบราณนี่เป็นกระจกทองเหลืองมันเห็นแล้วมันก็ยัง ง, วงัวมัอยู่แต่รู้ว่าสวยไม่สวยแต่จะไม่ได้เห็นเห็นเท้ารอยรอยเท้านะ รอยเท้าของของของของสัตว์ปีก <c oughs> นะชัดเจนมากนะไม่เพราะว่ากระจกอ่ะพี่น้องเคยเห็นกระจกสมัยโบราณใช่ไหมครับนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีกระจกที่แบบเครือบปลอดเหมือนเรานะถ้าจะเราบอกอะไรครับบอกว่าเราเห็นฉันหลัวฉลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นเวลานั้นคือเวลาไหนครับเวลานั้นคือเวลาไหนประเด็นตรงเนี้เป็นประเด็นศาสนาศาสตร์นะเวลานั้นเนี่ยคนแปลงครับบอกว่า เวลาที่คิดจะจากนะครับคิจจกเนี่ยเริ่มเ็จเท่าดาวเรียบร้อยแล้ววางรากฐานเรียบร้อยแล้วนะคุณจะเห็นชัดเจนแล้วแต่บางคนเขาแปลว่าเวลานั้นเนี่ยก็คือเวลาที่เราไปเจอกับพระเยซูครับการตีความหมายคำว่าเวลานั้นเนี่ยต่างกันมันก็เลยเกิดการสองจำนักสองสำนักความคิดก็คืออะไรครับจำนักแรกบอกว่าหลังจากที่จบ พระกมพีกิจการนะครับคิดจะจัดเนี่ยถูกเช็คเทิลแล้วเรียบร้อยแล้ววางราค์เรียบร้อยแล้วนะของประธานพวกเนี้ยหมดเกี้ยงนะไม่มีเหลือนะครับเอ่อเรียก School of t h o u นะครับก็คือสํานักความคิดเนี่ยหนึ่งก็จะบอกนี้เลยว่าเวลาที่คีดจะจัดวางราคาเรียบร้อยแล้วของประธานพวกเนี้ยหมดซิสหยุดนะครับ แต่คนที่บอกว่าเวลานั้นเนี่ยก็คือเวลาที่เราไปเจอพระเยซูทุกอย่างที่ปลูกเปิดเผยําแนงชัดเจนเขาก็ตีความหมายเวลานั้นคือเวลาที่เจอกับพระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับไม่สมบูรณ์ครับจนกระทั่งถึงพระเยซูมาเนี่ยทุกอย่างสมบูรณ์นั่นเขาก็ตีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้บอกว่าเวลานั้นข้าพเจ้าเวลานี้ข้าพเจ้านะครับก็คือจาโปโลเนี่ยความรู้ข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์แต่ถึงเวลานั้นปุ๊บนะครับ ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนอย่างพี่โปรรู้จักพูดง่ายว่าเราต่างคนต่างรู้จักกันแบบเขาเรียกอะไระครเปิดออกหมดเลยไม่มีอะไรที่ปิดฝังไว้เลยถามว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามานั่งพิจารณาเรื่องนี้นะครับหัว ข, ข้อนี้นะครับถามว่ามีเรื่องที่เราเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วหรือยังคำตอบคื อ, อยังครับหลายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นในพิจักรก็ดีเนี่ยหรือในบรรยากาศของฝ่ายวิญญาณก็ดี หรือแม้กรั่งคำพยากรณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นในเพิ่มพีใหม่ก็ดีนะครับเรายังไม่เห็นชัดเจนนะครับถ้าใครเรียนเ้ียงการเดียวนะกัมมีบอลนะครับก็จะเห็นรู้เรื่องนี้ดีว่ามันมองอะไรย่างโมว์มวอยู่ครับไหนะครับพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเมื่อไรมีหมายสำคัญอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยชิบอย่างใช่ไหมนะถามว่าเราชัดเจนหรือเปล่ามันก็ยังโมว์มวอยู่เราไม่มีทางรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ นะครับพระบูตรเองพระเยซูเองก็ปฏิเสธนะครับยอมที่จะไม่รู้นะฮะแล้วก็มอบเสริจเท็มหน้านเนี่ยในการสั่งการเนี่ยอยู่กับพระบิดาเพราะพระเยซูควรจะมาเท่าไหร่เห็นไหมครับเนะีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องเรียกว่ามาเรียนวิชาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเรา้อรู้ว่าหนึ่งมันเป็นวิติที่ยากเ อ, อะไรครับเพราะมองไม่เห็น สองเนี่ยเราต้องยอมรับ ว, ว่ามันมีการโต้แย้งของจํานักต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าชัดเจนยังไงเราต้องเอาความผีคอนี้มามามายืนยันว่าหลายอย่างเนี่ยต้องยอมรับ ว, ว่าเรายังสื่อสื่อยู่ฟันตรงไม่ได้นะครับพอฟันตงไปปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะผิดก็ได้นะครับหรือต้องฟังหูไว้หูนะครับต้องชั่งน้ําหนักนะครับต้องพิสูจน์ นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกเราว่าเนี่ยพระเจ้าตัดกับเขาอย่างนี้หรือว่าเขาบอกว่าพระเจ้าให้เขาเห็นนิบิทอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟังหูไว้หูหมายความว่านะครับเราก็รับฟังนะครับแล้วเราก็ติดตามดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าชีวิตของเขาสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยสถิตอยู่กับเขาหรือเปล่าชีวิตของเขาเนี่ยความรักใหญ่ที่สุดหรือเปล่านะครับ บางคนนี่แสวงหาเกียรติในการที่จะเป็นซูเปอร์คริสเตียนแต่ในเริบทการ น, นะครับความรักไม่มีแสดงว่าเขาไม่ได้สอดคล้องระหว่างคำพูดของเขากับการกระทาของเขาอย่างนี้นี่เชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหมครับย่งไมฮะแล้วอาจจะฟันทงว่ามันก็ไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเกิดเขาพูดเรื่องของพระเจ้าในพระคัมีรอันนั้นคือคนละเรื่องกับชีวิตของเขาเราก็ฟังแล้วก็รับ ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้พระวจนะของพระเจ้จจาเข้ามาในชีวิตของเราเข้าใจไหครับทีนี้ผมอยากจะให้การบ้านพี่น้องนะครับในเมื่อเอกสารนี่ยอมือพี่น้องนะครับเรื่องประวัติความเป็นมาของคําสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเขาย้อนกลับไปนความยิ่งละเอียดกว่นี้นะครับผมเพียงแต่คัดมานะก็คือว่าย้อนกลับไปว่าในศตวรรษที่หนึ่งเนี่ยหลังจากพระธรรมกิจการปิดนะครับมีใครบ้างนะครับยกอย่างเช่น ย่อหน้าสุดท้ายนะครับที่สองขึ้นมานะครับมีกับบรรทัดที่สามนี่พี่น้องเห็นอ อ, อกัสตินไหมครัย่อหน้าสุดท้ายที่สองย่อหน้าที่สองสุดท้ายนะครับจากข้างล่างพี่น้องเห็นคทาออกัสตินไหมบรรทัดที่สามของย่อหน้าที่สองลองสุดท้ายนี่นะออกัสตินเนี่ยก็เป็น church ์เดอร์ก็คือเป็นแคยๆว่าเป็น ปีตุลาจารย์เขาเรียกปีตุลาจารย์แล้ก็เป็น Church Father ก็คือผู้นำที่จักในยุคแรกในในประมาณแบบปีคศหนึ่งร้อยปีแรกนะครับแล้วก็ในปลายศตวรรษที่สองนะครับย่อนหน้าสุดท้ายนะครับบรรทัดแรกก็เห็นคนที่ชื่อว่า c l e m ครีเมนต์แห่งโรมนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องความเป็นตรีเอกาจน์ภาพนะัของของใครครับของพระปิญญาุฎกและพระวิญญาณบนสุด นะครับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าหลักข้อเชื่อเรื่องเรขาคณามนะครับเป็นหลักข้อเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากแล้วแยกเรานะครับออกจากยิวนะครับแล้วสมัยต่อมานะครับหลังจากปีกศ500กว่าขึ้นไปเนี่ยนะครับก็แยกเราออกจากแยกเราออกจากมุสลิมมุสลิมเกิดหลังเราประมาณ500ปีถูกหมครับนน เมื่อพระเยซูมาพบเนี่ยพระเยซูบอกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์เทียบเท่าพระเจ้าคนยิวรับได้ไหมครับรับไม่ได้จับพระเยซูไปตึงบ น, มงนไม้กางเขนถูกไหมครับนะเพราะพระเยซูว่าพระเยซูเป็นซันออฟก็นะครับแล้วก็พระเยซูว่าถ้าคุณเห็นเราถ้ากับเห็นพระบิดานะถ้าคุณได้ยินเสียงของเราถ้าคุณได้ยินเสียงของพระบิดา นะครับแล้วเราเป็นซึ่งพระบิดาเป็นคนยิวเราไม่ได้เพราะคนยิวโมเสสบอกว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นโมเสสโมเสสขึ้นไปหาพระเจ้าบนภูเขาสีนายพระเจ้าพูดว่าเราเป็นซ nee. ึ่งเราเป็นพระเยซูบอกเราเป็นคนยิวเราไม่ได้ครับเพราะว่าพระเยซูเนี่ยกำลังยกตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าเนี่คนยิวก็ถือว่าเมื่อคนยิวก็บอกว่าพระเยซูยกตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้านี่แสดงว่าพระเยซูเนี่ยต้องโทษถึงปัญหา เพรผิดข้อหาคุณอ้างตัวเป็นพระเจ้าเพราะงนยิวก็เลยไม่เชื่อพระเยซูจนท่านถึงวันนี้นะครับเพราะอะไรครเพราเชื่อพระเจ้าองค์เดียวแต่เราเนี่ยนะครับเชื่อฟรีการรุกพาคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้นะครับอยู่ในหลักข้อเชื่อหลักข้อเชื่ออักขรฑนะและอกะักขรฑเหล่านี้เป็นพื้นฐานเป็นบิดุลาจารเป็นเชิร์ชฟาร์เดอซึ่งตกผลึก ความเชื่อของเรามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และสืบทอดความเชื่อนะี่ยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านหลักควาเชื่อนะหน้าคอนั่นแหละครับพี่น้องสังเกต ด, ดูค้าพเจ้าเชื่อว่าพระบิดาเป็นนี้พอย้าหน้าต่อไปข้าพเจ้าเชื่อเรื่องพระเยซูแต่พระเยซูเยอะหน่อยเยอะมากเลยนะและตอนที่สามเจ้าเชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และสุดท้ายข้าพเชื่อเรื่องคือจะจากศักดิ์สิทธิ์คนเดียชดนี่แหละ สี่สามสีอย่างเนี่ยเป็นหลักข้อเชื่อแกนหลักเลยนะไม่เชื่อไม่ใช่พวกเรานะครับถ้าเชื่ออย่างอื่นไม่ใช่พวกเรานี่แหละเป็นตัวเขาเรียกว่า d i s t i n g u i s h ก็คือการแยกออกมาเพื่อที่ให้เห็นถึงว่าเอ๊ะคุณเป็นพวกไหนคุณเป็นใครนะครับถ้าหากว่าเราไม่เชื่อแบบนี้ท่านก็ไม่ใช่เป็นสมาชิก ข, ของคิดเหตุวัฒนาเพราะคิดเหกุวัฒนาเชื่อแบบนี้เองนี่เป็นต้นนะครับ เพราหลักข้อเชื่อเนี่ยมันก็จะมีหลักข้อเชื่อที่ก็เรียกว่าพัฒนาการของหลักข้อเชื่อมาอัครทูตนะครับข้อเชื่ออัครทูตเนี่ยเป็นเป็นหลักข้อเชื่ออย่างแรกเรียกว่า very fundamental ก็คือหลักข้อเชื่อมูลฐานที่สุดแล้วนะครับสั้นที่สุดแล้วนะครับต่อมาก็เป็นหลักข้อเชื่อในเซียนะครับหรือในซีนในซีนนะครับต่อมาก็เป็นหลักข้อเชื่อและหลักข้อเชื่อที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ มีความละเอียดมากที่สุดนะครับก็ชือก็คือหลักขอ้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์ซึ่งยังโกลเนี่ยเขาเรียนมาสามสีปีแล้วใช่ไหมเวสต์มินสเตอร์เนี่ยเขาเรียนอยู่ในกลุ่มกลุ่มแคร์นะครับ 3-4 ปีแล้วมี question answer, question answer, question answer ตลอดเพราะนั้นนี่ยัยงโกรเนี่ยเขาจะแน่นเรื่องหลักขอ้อเชื่อมากนะไปพูดนน่นพูดนี่เขาจะสามารถโต้แย้งได้ดีเฟนด์ได้ยกขั้งพีมาอ้างได้ใช่ปะฮะกุจู <laughs> นะครับอันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งในโบทของเรานะครับที่เรียนพระคภีและเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรคือความถูกต้องนั่นเป็นรากฐานของพี่จักเราต่อไปนะครับในหน้าสามครับหน้าสามผมมีเวลาอีก5้านาทีนะครับหน้าสามเนี่ยขึ้นต้นก็คืออาคานีเซสก็จะเป็นชอร์ชฟาเดอร์อีกคนหนึ่งครับที่ยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะครับในความเท่าเทียมของเรกันรูปภาพนะครับมันรวมถึงอะไรครับนมันรวมถึงเอเซนส์เอเซนส์แปลว่าสาระหรือแก่นสารนะครับความเป็นคนเนี่ยเรามีเอเซนส์ของเรานะครับเอเซนส์ของเราเนี่ยมนรวมทั้งกายภาพทั้งวิญญาณภาพนะเาเรียกว่าฟิสิ i อลเนี่ยและสปิริชัลเนี่ยมันเป็นเอเซนส์ของเรานะครับอยู่อย่างเช่นฟิสิ i อลเนี่ยเราต้องมีกรโมโซมกี่ผู้ครับ อ่าอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีตามีจมูกมีปุ้กฤทิภาพทางด้านจิตใจและเวลาการเนนะี่ยต้องมีจิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้กับเราซึ่งเป็นลมหายใจที่พระเจ้าประทานให้กับเราใช่ไหมครับนะอันนั้นก็คือเอเซนส์ของความเป็นมนุษย์เอเซนส์ของความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีอะไรอีกต้องมีมาตรฐานทางจาริยธรรมนะครับมนโนธรรมนะคอนเชียนคอนเชียนนะครับมนโนธรรมจิตสํานึก นั่นแน่เป en ็นเอเซนซ์หรือแก่นสารของความเป็นมนุษย์พระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้ามีแก่นสารนะครับเอเซนซ์ของความเป็นพระเจ้าเหมือนกันว่าเพราะฉะนั้นเราบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าท่านหมายความว่าพระเยซูต้องมีเอเซนซ์เดียวกันกับพระบิดานะครับเราบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องมีเอเซนซ์ก็คือแก่นสารเนี่ยเหมือนกับพระบิดาเหมือนกับพระเยซู เห็นไหมครับอันเนี้ยคือหลักการของตรีการุภาพมันจะไม่มีเลย ว, ว่าพระเยซูด้อยกว่าพระบิดาพระวิญญาณด้อยที่สุดไม่ใช่ครับคือทั้งสามพระภากเนี่ยเท่าเทียมกันนั่นคือความลึกลับของเตีกานุภาพแล้วสามพระภากเนี่ยกลายเป็นหนึ่งได้ยังไงก็เหมือนครีมวันนี่แหละเรากินกาแฟเ น, นะครับเราต้องกินไ ป, ป็นอมๆกันเราจะมาแยกว่าอันนี้เป็นกาแฟอันนี้เป็นครีมเป็นน้ำตาไม่ได้เพราะมันชวยยินวัน ถ้าเรารับพระเจ้าเราต้องรับพระเยซูถ้าเรารับพระบิดาเราต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ั้นถ้าเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เรปฏิเสธพระบิด า, า, า, ดาไม่ได้นะครับมันต้องเป็นทีอนวะครับทรีตี้หรือว่าไตรยูนิตี้นะครับทรีอินตีรือยนีั้นเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่โต้แย้งกันมาในประวัติศาสตร์นะครับ 2,000 ปีเนะี่ยโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมา นะครับบางคนก็บอกว่าตอนที่พระเยซูถูกตึงแมง เ, เขน่ะตอนนั้นพระเยซูเป็นมนุษย์ความเป็นพระเจ้าไม่มีกอะไรครับเพราะว่าเป็นพระเจ้ามีบาปได้แล้วอือแต่วก็โตอยักษ์แบบนี้นะครับนะเราก็เป็นนั่งอ่านา น, นะครับทำใหพี่น้ อ, อ่านที่ผมคัดมาให้วินองานนะนะครับแล้วค่อยๆดูยุคแรกยุคกลางนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ยุคปัจจุบันเข้าไปซึ่งผมจะแทรกให้ทีหลังครับยุคปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่1901มาเนี่ยครับ มีการพิสูจน์เรื่องพระข้ญญาณบริสุมากมายและแถมยังมีการพิสูจน์ว่าในบางทีนะครับก่อนที่ผมจะจบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับอะไรเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอ่านแล้วเนี่ยตกใจนะครับพี่น้องเปิดในนธรรมะธรรมมาราโกนะครับบทสุดท้ายนะครับมาลาโกบทที่สิบหกข้อที่ 16, 17, 18นะครับมารากบทที่16ข้อที่ 16, 1ห18นะครับแชร์แนวความกันนะครับมารากบทที่16ข้อที่ 16, 17, 18ผู้ใดเชื่อและรับปฏเศัมมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับหมูได้และถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคอันนี้พี่น้องดูนะครับดูในฟุตโนนนะฟุตโนนฟุตโนนต้องมีท่าน ฟุตโนตตรงนั้นเนี่ยเขาจวหัวคือข้อยี่สิบใช่ไหมครับนะเขาบอกว่าตั้งแต่ข้อเก้าถึงข้อยี่สิบสำเนาต้นฉบับโบราณที่ดีที่สุดขาดข้อเหล่านี้ท่อนที่ผมอ่านให้ฟังเนะี่ยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเก้าจนถึงข้อสุดท้ายสำเนาต้นฉบับที่ดีที่สุดไม่มีคือจบ อยู่ตรงบทที่สิบหกนะครับข้อแปดแล้วจบละการจบตรงนั้นเนี่ยสำเนาต้นฉบับที่ดีที่สุดเก่าแก่ที่สุดที่ดีที่สุดนะไม่มีข้อที่เก้าจนถึงข้อที่สิบไม่มีทําให้บางคนคิดว่าเมื่อสำเนาต้นฉบับโบราณที่ดีที่สุดไม่มีข้อเหล่านี้นะสิทธิอํานาจเนี่ยของตั้งแต่ข้อที่เก้าเนี่ยจนถึงข้อที่ยีสิบเนี่ยนะครับก็ตกลงไป พี่น้องเชื่อกันไหมอ่าใช่ไหมครับมีคนถามว่าใครเติมมันหาคนเติมไม่ได้จับมือคนเติมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เขาถอยเข้าไปเนี่ยไปขุดค้นทางโบราณคดีนะครับตามบวทเก่าแก่ต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งตามไซต์บบราณคดีต่างๆเนี่ยเขาก็จะเจอต้นฉบับย่างเนี่ย สมบูณ์มั่งไม่สมบูรณ์มั่งอยู่ที่เมืองนี้ก็ตรงนี้ฉีดขาดไปแหว่งไปอยู่ที่เมืองโ น, น้นตรงนั้นก็ฉีดขาดแหว่งไปแล้วเขาก็เทสต์แบ็กกลับไปนะครับบอกว่าเมืองนี้คิดจักรตั้งตอนไหนสมมุติว่าเขาไปเจออยู่ที่คิดจักรที่เยรูซาเล็มเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สามารถคาดการณ์ว่าคิดจักรเยรซเล็มเนี่ยน่าจะเป็นคิดจักรที่เก่าแก่ที่สุดเพราะว่าเป็นคิดจักรที่ตั้งแรกที่สุดถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอที่เมืองลาวดีเซียเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องหลังจากคิจักที่เมืองเยอเซนเนี่ตั้งแล้ว10 20ปี30ปีถึงจะมีคึ้จักที่เมืองลาวดีเซียได้ถูกไหมครับเพราะนี่ทางโบราคดีเนี่ยเขาก็ค้าหันกันด้วยหลักฐานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้าไปดูเรื่องต้นฉบับโบราณที่ดีที่สุดหมายความว่าอาจจะเก่าแก่ที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุด ปรากฏว่าที่เก่าแก่ที่สุดที่สมมติที่สุดไม่มีข้อ9ถึงข้อที่20เพราะฉะนั้นจิงเกิดปัญหาว่าการตีความข้อที่9ถึง20และการนำไปใช้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับพวกเพนนีคอสเนี่ยนะก็ในข้อที่18ครับเขาทำสองอย่างครับจับงูให้ดูเอามือนี่นะผมไปอ่าหนังเสือคริสเซียนที่ทุเดย์นะ เขาก็รีวิวตั้งแต่1901เนี่ยที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยารีวิวตั้งแต่1901เนี่ยมาจานถึงวันนี้นะครับเขาบอกว่ามีอยู่ยุคนึงเนี่ยเขาเทสอบทัทีตอนเนี่ยเขาก็เอามือล้วงไว้ให้งูพิษกลับนะนะครับแล้วดูว่ามีความเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั้นในข้อที่17เนี่ยนะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั้น เขาก็เลบอกผมมีความเชื่อผมเอามือเนี่ยล่วงไปให้งูพิษกัดอันนี้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจริงนะครับนะครับกินยาพิษด้วยดูว่าจะตายไหมพี่น้องลองเดาดูสิครับอันนี้คือมันฟันธงได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องาตายไหมตายครับคนนี้เอามือนะครับให้งูพิษกัดเนี่ยนะครับ คือไม่ตายคนที่กินยาพิษก็ไม่ตายเพราะอะไรครับเพราะว่าไปหาหมอทันคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยตายแน่นอนแต่ถ้าว่าคุณตีควา ม, า ม, มารากรรมมัต马拉โกบทที่16บเนี่ยไม่ตายนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เปาโลท่านจำได้ไหมครับตอนที่ท่านเรือแตกท่านเรือแตกนะแล้วก็ขึ้นไปบนเกาะจำได้ไหมครับ ชาวกาะเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคนพวกนี้เนี่ยนะโชคดีมากเลยพระเขาต้องต้องเฮี้ยนจริงๆเพราะว่าเรือแตกเรืออับปางแล้วเนี่ยยังรอดมาได้นะแต่าจามาโลเนี่ยก็ไปหยิบไม้ใช่ไหมครับเขาก็เอาไม้มากองกๆงกององไว้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปจุดไฟผิงผิงไฟกันหนาวเพิ่มพีกิจการในบันทึกดวยปรากฏว่ามีงูขึ้นตัวหนึ่งเนี่ยมากัดอาจารย์บอลโล แล้วจามโบโลก็สะบัดทิ้งแล้วงูพิษตัวนั้นเนี่ยพวกชาวเกาะรว่าใครโดนงูตัวนี้กัดเนี่ ย, นนยตายอย่างเดียวแต่จามโบโลเนี่ยไม่เป็นไรครับเมื่อไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นครับอูห้หูเขาเลยบอกว่าจามโบโลเป็นพระเป็นพระแสดงว่าเนี่ยท้องผีตอนเนี่ยกเกิดขึ้นจริงพวกเขาก็เลยมาลองให้งูพิษกัดครับถามว่าตายไหมตายครับถ้าช่วยไม่ทันก็คือต้องไปล้างท้องเอาพิษออก ต้องไปฉีดยาเซรุมครับเพื่อที่จะไม่ตายแปลว่าอะไรครับแปลว่าเพิ่มผีข้อเนี่ยมันไม่จริงณเวลานี้ใช่ไหม ม, มันก็มีการถกเถียงกันวางมือบนไข้คนป่วยแล้วเพิ่มผีบอกว่าคนล้นั้นจะหายโรคแต่ทุกวันเนี่ยวางวางไปหายบ้างไม่หายบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าเพิ่มผีตอนเนี้ยแอปพลาย หรือนามาใช้ในคิดจักรยุคปัิจุบันนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่เห็นไหมครับสิทธิอำนาจของขั้วปีตอนเนี้ยก็เลยด้อยกว่าขั้วปีตอนอื่ น, นใช่หรือไม่น่าคิดไหมครับเพราะเรื่องนี้ใกล้ตัวนะถ้าผมไม่สบายนะแล้วผมต้องตายนะแล้วอาจารย์วางมือเนะี่ยแล้วผมเนคือผมก็ไ ม, ไม่ไม่แน่ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะผมก็ขอโทษนะใช่ว like ่าเสี่ยงๆเอาละกันถ้าหายก็ดีไม่หายก็ตายแล้วผมจะรู้จักพระวิญญาณไปทำไมล่ะครับผมจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ผมรู้จักพระวิญญาณผมจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ผมเด้เชื่อพระเจ้าเห็นไหมครับมันก็เรื่องใกล้ตัวแต่มันอาจจะยังไม่ถึงตอนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรากำลังให้การบาบัดรักษาเนี่ยหรือวางมือผู้ป่วยเนี่ยพ่ ผมก็ถามตัวเองเสมอว่าพระเจ้าให้ของประทานให้ผมมนั่งอธิษฐานวางมือหลังจากที่นับการนะครับนะวางมืออธิษฐานแล้วจะมีคนหายไหมเนี่ยหายไหมเนี่ยถ้าไม่หายนี่เสีย ช, ชื่อผมหมดเลยใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ครับหายไม่หายอยู่ที่พระเจ้าที่โรงพยาบาลแมคคอมบิคใช่ไหมอาจารย์ซองอยางเขาเนี่ถือว่าอะไรครับเราเป็นผู้ให้ยาแต่พระเจ้าเป็นผู้รักษาท่านให้หาย ก็หมายว่าหมอเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้ยาให้การวินิจฉัยโรคให้การดูแลพยาบาลแต่การฮีลลิ่งจริงๆเนี่ยมาจากพระเจ้าผมถามครั้งนี้นะครับเพราะอะไรครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับการฮีลลิ่งมาอย่างไห น, นถ้าไม่ใช่พระเจ้านะฮีลลิ่งไม่เกิดว่าอะไรครับเพราะคุณเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาคุณเป็นแผลนะครับแผลมันจะลาไปเรื่อยๆนะมันจะติดเชื้อง่ายเพราะอะไรคถ้าคุณเป็นเบาหวานแต่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดเชื้อ เพราะอะไรครับเพราะว่าอิ m วิลิตี้ของเ้าเนี่ยภูมกันของเขาเนี่ยอศัศจรรย์มากมันไม่เป็นไรถามว่ามันเกิดจากอะไรครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าผมก็ไม่รู้เนหะมือนกันเพราะมันอธิบายไม่ได้นะครับยังลักษณะแบบนี้แล้วเราเนี่ยไม่เป็นบาหวานเรามีแผลปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายแต่คนที่เป็นบาหวานเนี่ยมีแผลแล้วมันไม่หายแผลกดทับเนี่ยติดเชื้อตลอดลนี่คือสิ่งที่เป็นการอศัศจรรย์อย่งเปล่านี่แหละครับเห็นไหมครับนะผมก็เลย ลบปวนไปท่านี้นะครับแล้วก็คิปหน้าเราเจอกันนะครับมีมีใครมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับครับอ่านครับในบทที่ผมให้ให้ไปนะครับคือ1หนึ่งประวัติประวัติของเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วหัวเรื่องต่อไปก็คือความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ที่น้องอ่านไปเรื่อย ขิดเส้นนะครับตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือพี่น้องอาจจะช่วยผมเช็คอีกทีหนึ่งครับรูปอีกทีหนึ่งก็คือเปิดพังพีแล้วถ้ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะช่วยโทวงติงมาหน่อยนะวันนี้ผมก็เห็นจุดผิดเหมือนกันนะชีวิตมันไม่มีใช่ไหมครับอครับช่วยช่วยดูนิดหนึ่งเพราะบางทีบางบางอย่างมก็แปลมาบ้างรอกมาบ้างนะครับรวมรวมมาให้มังนะครับครับจางมีอะไรไหมครับ โอเคครับเริ่มตรงเริ่มตรงนะครับสิบโมงนะครับเริ่มก็สายนิดนึงนะครับขอพรุณกกันทีาลครับพระเจ้าประวิทยาอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาหลายขอบคุณองค์งสมการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้ท่านหลายได้เข้าใจพระองค์มาหนึ่งคืนและรู้จักพระองค์มาหนึ่งขึ้นขาพระเจ้าอวยพรให้สิ่งต่างที่เรียนรู้นั้นจะอยู่ภายใต้ใการดูแลการคุ้มครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พรเจ้าจะทรงโปรดโคดพคพรเขทาพงหลายรักษาความจริงของพระองค์ให้อยู่ในชีวิตของข้าพงหลายแในเราทํางานสามารถที่จะถ่ายทอดต่อไปได้เพื่อเป็นการถวาเกีตพระเจ้าเพื่อเป็นงานที่ทําให้แผ่นดินของพรองค์ขยายออกไปขอพระเจ้าโคดพคพรอาจารย์ทุกท่านสมาชิกทุกท่านท่านโู้เกตทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดรับเกียรติจากชีวิตของข้าพงหลายขอมอบข้าพงหลายทุกคนให้อยู่ไปใต้การคุ้มครองอารักขา ทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจและสภาพจิตวิญญาณของท่านผู้มาถึงทุกคนการตัวนี้ฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ين.